อัลลอฮฺ م ัลล ا, آ, إ ل ฺอ ا ل ล م ฮฺอัลลอฮฺอั م ลอฮฺอั ل ล ه ฮฺอัลลอ ع ل อัลลอฮ ن อั ا ลอฮฺอ و ลล س ل ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ م ลลอฮฺอั ل ลอฮฺอัลลอฮฺอ ا ลลอฮฺอัลลอฮฺอั ي ล م ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั ي ลอฮฺอัลลอ ال um nah l a h u m ا a bika asbahan ن a bika amsa'in wa b i و a n a ك i y a wa b i أعوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَمَاتِ مِنْ ش َ ر ِ م َ خ َ ل َ ق بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ُ ر ُ مَا أَسْمِيهِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ و ََ ا فِي السَّمَاءِ و َ ا س م ي َ ا ل ع َ ل ي ّ و ب ِ ي ت ُ ب ا ل ل َ ه ِ ر ب و َ ب ِ ا ل ْ إ س ل ا م د ي ن ว่าบ ah. ah uh. <c oughs> ิมูฮัมมัดรัสูละซัลลัมอาลัยคุณมะรับมาตุลลอฮ์และบรักาตุะอาจารย์อับดุลรานีท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่มาเข้าอบรมหรือฟังการบรรยายศาสนา ของสมาคมอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมที่รักต้องหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณอัลลอฮฺชูกรต่ออัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และ ت ع ا ل ที่ a l ล a h ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ปีนี้เป็นปี 2,558 พี่น้อง อายุเราเพิ่มขึ้นไปอีกปีหนึง่งพี่น้องสำรวจสำรวจดูบ้างหรือเปล่าว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำความดีอะไรบ้างแล้วก็ความชั่วมีอะไรบ้างก่อนนอนนะพี่น้องนั่งอยู่บนที่นอนเนี่ยก่อนนอนพี่น้องแปลงฟันก่อนแล้วอาบน้ำน้มา แปรงฟันแล้วอาบน้ำนํำละหมาดแล้วก็ตะปัดที่นอนดึงที่นอนให้ตึงให้ตึงแปะ๊ะเลยพี่น้องก่อนนอนก็เอายกมือขึ้นแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านสามกุญกุญวะหลาววะฮัดกุเอาวุรบิลฟารักกุญอาวุรบินนาสอ่านให้จบลูกทั้ ง, งตัวให้ทําอย่างนี้นะสามครั้งแล้วก็ตามด้วยอายะคุตซี นะครับแล้วก็ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์ سبحان อัลลอฮ์อีสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีสามสิบสามครั้งนอนัลลอฮฺอวกบัดอีสามสิบสี่ครั้งแล้วก็นอนตะแคงขวาเอามือขวานี่น่ะจับแก้มขวาแล้วก็นอนนอนก็คิดเออ ว, เเ ว, วันนี้เรานมายครบห้าเวลาไหมวันนี้เรานมา สุนัตเรียกว่านาวาฟินครบส2บสองเราอาดไหมเราอ่านกุรานไหมเรายึดรูรุลลอห์ไหมเราทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ไหมเราดูแลลูกเราไหมเราติดต่อกับญาติพี่น้องใกล้ชิดเราไหมต้องนึกครับพี่น้องและความชั่วที่ทำไว้มีอะไรบ้างพอมีก็ต้องนึกอัสตักครรุลลอห์แล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ อัสสลาุอะลัยฮ์วะตุบะอัลเยย์อินนักอันตัตตะวะบุลกัฟูร์พี่น้องพี่น้องครับ <c oughs> อายุเราน้อยลงไปอีกปีหนึ่งแล้วพี่น้องอายุน้อยแต่อามัณตต้องเยอะอายุน้อยได้ไหมได้พี่น้องแต่อามัณของเราเนี่ยงานศาสนาเราต้องดีต้องเพิ่มขึ้นพี่น้องขอบคุณเราล่อหนนะ้าพี่น้อง ที่เราได้เนี่ยอา่านคุรานอา่านคุรานมาถึงอายาที่ยี่สิบแล้ววันนี้สิบแปดสิบเก้าเนี่ยเมื่ออาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วนะเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ก็มาทางมาถึงอายาที่ยี่สิบนะครับพี่น้องเอาอ่านนะต่างคนต่างอ่านผมอ่านนะ อ้าวซุบินล้วทมีในชายตอนยูโรีโดยพระนามฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งอ่าก่อนที่จะอ่านกุรอ่านขออธิบายนิดหนึ่งอัลลอ์สั่งนะครับก่อนที่จะอ่านกุรานี่ให้อ่านอ้าวซุบินแล้วแต่เวลาอ่านหนังสือเล่มอื่นๆจะอ่นอานฮะดิษก็ตาม จะเป็นฮ ادي ของอิม่าบุครีของอิมามุสลิมนี่พี่น้องไม่ต้องอ่านอาวซุบิลละไม่ต้องอ่านเพราะอัลลอไม่ได้สัง่งอ่านอ้าวซุบิลละเนี่ยตอนที่จะอ่านอัลกุรอานเท่านั้นพีน้องได้ข้อคิดอะไรข้อคิดเป็นอย่างนี้พี่น้องผมชี้ให้พี่น้องเห็นเลยนะเพราะว่าใช้ตอนนี้นะ พี่น้องรู้จักไซต์ตอนไหมเคยเห็นตัวไซต์ตอนไหมไม่มีใครเห็นตัวครับไซต์ตอนแต่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าไซต์ตอนมีจริงไซต์ตอนมีจริงครับพี่น้องอัลลอฮ์พูดในคัฟิรกุรอานว่าอัลไซต์อนโช่ไซตอนนั้นเป็นอดูละกลุ่มเป็นศัตรูกับมนุษย์ทุกคนเราเชื่อครับพี่น้องเชื่อคําสั่งของอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เล่าในคั ร, ร์ุรานเวลาอัลลอฮ์จะเล่าเรื่องของเราเนี่ยอัลลอจะเล่าในกัฟีร์คุรานเพราะฉะนั้นคนที่อ่านกุรานเนี่ยจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์เตือนอะไรในคั ฟ, ฟีกรุรานอัลลอฮ์เตือนบอกว่าอัชไซต์อนอดูลละกุมไซไซต้อนนั้นเป็นศัตรูกับท่านทั้งหลายแล้อัลลอฮ์ก็บอกอีกไซต้อนนี่มองไม่เห็นตัวเรามองไม่เห็นไซต้อน แต่ใชตตอนนั่นมองเห็นมองเห็นมนุษย์มองเห็นเราพี่น้องทำไมต้องจะอ่านกูนอ่านต้องอ่านดาวอุบิลละพี่น้องครับเป็นอย่างนี้ใช้ตอนนี้นะไม่อยากให้ใครเป็นมุสลิมสักคนหนึ่งใช้ตอนนี้นะไม่อยากเห็นมุสลิมสักคนหนึ่งอยากจะเห็นคนทั้งหมดนั่น กราบต้นไม้อยากจะเห็นคนนั้นกราบดวงอาทิตย์อยากจะเห็นคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮอยากจะเห็นคนไม่รู้จักนบีมูฮัมมัดชาตอนมันต้องการจะให้คนนั้นหลงทางแนี่ เ, นเมื่อพี่น้องมานั่งฟังศาสนากันวันนี้พอฟังศาสนานี่แสดงว่าพวกเราเนี่เป็นมุสลิมแล้วถามว่าชายตอนพอใจไหมไม่พอใจเลย ที่มาเห็นพี่น้องมุสลิมนั่งอยู่ที่สมาคมเนี่ตึกอัญจมันอิสลามนี่พี่น้องใช้ตอนไม่พอใจเลยพี่น้องแล้วก็ยิ่งไม่พอใจมากๆาเอาก็คือตอนที่มาอ่านอัลกุรอานคุรานเป็นคำพีของอัลลอฮ์พี่น้องใช้ตอนมันต้องการไม่ให้เราเป็นมุสลิมเดี๋ยวนี้เรามาเป็นมุสลิมแล้วใช้ตอนก็เสียหน้าเยอะ พอเสียหน้ามันก็บอกว่าให้มันเป็นมุสลิมอย่างเดียวแล้วก็อย่าอ่านอัลกุรอานฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมและไม่อ่านอัลกุรอานมีเยอะไหมใครดีใจใชาตตอนดีใจเองน่ยเป็นแค่คนแขกพอนะให้รู้จักอัลลอฮ์พอแล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแค่นี้เองพอแล้วอย่าไปอ่านกุรอานี่น้อง แค่นั้นพอมุสลิมมาอ่านกุรานใช้ตอนมันไม่พอใจพี่น้องพ อ, พอไม่พอใจเราต้องขออุทอศต่อ Allah อามุซบิลลาฮิมินัสไซต์นิโรจีฉันขอความคุ้มครองต่อ Allah ให้พ้นจากไซต์ตอนที่ถูกสาบแช่งพี่น้องไซต์ตอนไม่พอใจนะใครที่อ่านอัลกรุรอานไซต์ตอนไม่เข้าใกล้ด้วยแล้วไซตตอนมันมันไส้แต่มันทําอะไรไม่ได้พี่น้อง แค่มันไม่พอใจอ่ะนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าช้ยตอนไม่พอใจจะเห็นมุสลิมอ่านอัลกุรอานเอาช้ยตอนมันก็ยุต่อดไปอกีกเองแค่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะอย่ารู้ความหมายนะถ้าถ้ารู้ความหมายยิ่งรู้จักช้ยตอนเยอะขึ้น ยิ่งระวังตัวมากขึ้นยิ่งประคองตัวมากขึ้นยิ่งรู้อะไรผิดอะไรถูกมากขึ้นหลอกยากขึ้นชายตอนก็บอกเองแค่อ่านกุณอ่านอย่างเดียวนะอย่ารู้ความหมายทีนี้เรามารู้ความหมายอีกวันนี้อ๋อชายตอนมาก็เสียหน้าอีกดูสิดูสิมันมารู้ความหมายอีกแล้ว อาจาริย์มันก็ยุต่อไปอีกเอเา เ, าเารู้ความหมายก็ได้แต่อย่านำเอาความรู้จากกุอ่านไปปฏิบัติให้รู้อย่างเดียวให้มันแปลได้มันอธิบายได้แต่อย่านำอาไปปฏิบัติอันพี่น้องวันนี้ที่เราต้องอ่านว่า illah, ot, เอาอุบิลลาอุเชตตอในโรยีเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะทำลาย ความตั้งใจของมันที่มันนึกกับเราหนึ่งไม่เป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมมันแพ้แล้วเป็นมุสลิมไม่ให้อ่านกุรานเราอ่านกุรานแล้วมันแพ้แล้วอ่านคุรานอย่างเดียวนะครับไม่รู้ความหมายเรารู้ความหมายวันนี้อ่ะมันก็แพ้แล้วและอีกข้อหนึ่งรู้ความหมายก็ได้แต่อย่าปฏิบัติเราจะปฏิบัติละฉะนั้น พี่น้องมาท่านรู้ความหมายจากกุอานแล้วต้องทําอะไรนะต้องนําเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติพี่น้องครับบุคคลแรกคนในยุคนบีม a h o ม a ดเนี่ยนะถ้าอ่านคุาลาปับ๊บหนีพี่น้องก็อ่ า, อานอูซบิลลาเลยพี่น้องพราะเขไล่ชายชต่อเองไปหางอ้นะอ้จะอ่านคุาลานแล้วอ้วจะรู้ความหมายอ้จะนําเอาความรู้จากกุาลาเนี่ยไปปฏิบัติพี่น้องครับซาฮบะนบี เรียนคุรานกับใครพือน้องเรียนคุรานกับนบีนบีสอนเองกันไปน้องแล้วก็บรนดาลสว่านนาบีนี่นะจะไม่ย้ายจะไม่ย้ายเช่นนี้ยอย่างนี้มาอานน่อานเนี่ยอ่านเนี่ยอ่านอ่านกุรานที่อยู่ข้างหน้าท่านนี่พี่น้องอาวารัมยาเราอีล้วตอยดิฟากะฮุมซอฟาติอวยกอบิทนะ มายุมซิกุนนะอิลลอรอมมานอินนะฮูบิกุลิชัยอบะซีรนี่ของเดือนที่แล้วคํแปลเปลยังไงครับพวกเขามีได้มองดูนกเห็นไหมก็อ้างสอนแล้วทําไมพวกท่านไม่เคยสังเกตดูนกบ้างหรือ นกวิ่ไหนครับฟาวโกโฮมอยู่ข้างบนท่านอยู่บนศรีรษะท่านมันทำอะไรบังครับซอฟาตินมันมันกางปีกนกมันกางปีกใช่หรือไม่ใช่ นี่อัลลอ์เล่าเรื่องจริงๆให้เราฟังว่าเงันดูทองฟ้าบางไม้เงันดูนกบางไม้นกมันทำอะไรครับมันมีอยู่สองท้าวเดียวกันหุ ป, กกปีกักกกบกลางปีหุปีกับกลางปีนี่อัลลอฮ์ให้พิจรารณาดูนกตอนที่มันหุปี ก, กับกลางปีได้ความรู้อะไรอ่านี่สอนให้เราใช้ปัญญากับที่ตอนทังหลาย อัลลอพี่น้องอัลฮัมดุลิลละนี่ถ้าอัลลอไม่พูดนะกะฟีคุงอ่านเรารู้ไหมไม่รู้เราเวลามองนกเนี่ยเออจะเอาปืนมายิงมันอาคนที่นักล่าสัตว์ล่านกยิงนกนึกอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีนกโอฟิรา บ, บินอยู่ นกกระยามาเกาะ อ, อยู่ โ, โลนกนุ่นนกบีมาเกาะ อ, อยู่นึกอย่างเดียวหาเปินยหญิงเพื่อจะเอานกมาเป็นอาหารแต่คัมอารไม่จะสอนตรงนั้นสังเกตนกบไม้มันมีอยู่สองท่ากลางปีกับหุบ ป, ปีได้ข้อคิดอะไรพี่น้อง ไ, ได้ขอคิดอย่างนี้พี่น้องครับสัตว์ของหนักๆที่อยู่บนท้องฟ้านี่นะ เวลามันหนักเลยมันก็ต้องหล่นลงมาถึงพื้นใช่เลยไม่ใช่อันพี่น้องสังเกตเด็กน้องขึ้นไปบนตักอาคารในข้อัายุมันเนี่ยชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยแล้วเอาหินโยนลงมาถึงพื้นไหมถึงแต่ทําไมนกมันไม่ถึงเพราะอะไรทําไมนกมันไม่ตกลงมาบนดินเพราะอะไรอ้าวล้วบอกอีตอนมันกลางปีกนะมันไม่ไม่หล่นอีตอนมันหูปีกใช่ไหมไม่หล่นล่ะนี่อัลลอฮฺสอนเนี่ยเราคิดไปงงครับแสดงว่านก ที่มันกลางเปียกก็มันแล้วหเปีกก็มันไม่มีใครรังมันไว้ได้ให้ร่อนอยู่ในอยู่ในเวหานอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์รังนกเอาไมา่แม่ให้ตกนี่ได้ข้อคิดแล้วอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถที่จะให้นกบินอยู่ในอากาศเวลามันหู ป, ปีมันต้องร่วงลงมาใช่ไหม แต่อัลลอฮ์ไม่ให้ร่วงมันตกลงมาบนพื้นนี่เป็นความสามารถของใครของอัลลอฮ์ได้วางกดเอาไว้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่อิมานเราเพิ่มเพื่อลดโออิมานเพิ่มขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์าพี่น้องตลอไหลพี่น้องครับนีงายกูอ่านพที่สามาสัยสุฮาบานะบีพี่น้องเขาจะไม่ย้ายนะ เวลอ่านคัลรอานอายาหนึ่งนะถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่ได้ปฏิบัติตามอัลกรุรอานอายานั้นเขาจะไม่ย้ายจนกว่าจะนํามาไปปฏิบัติก่อนพี่น้องถึงจะย้ายบางที่อ่านมาแล้วเจดวันแปดวัน9้าวันไม่ย้าบทนบีอนนบ ย, ย, ย่าเพิ่งย้ายอย่เพิ่งย้ายอ่านก่อนอ่านให้จําก่อนท่องให้จําก่อนนํามาไปปฏิบัติก่อนรู้ความหมายก่อน เสร็จแล้วก็ยายอายาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพี่นอ้องทั้งหลายนั่นคนอายุก่อนก็เป็นอย่างนี้ครับพี่นอ้องอ้าวตวลงว่าเรื่องนกนกนบีสอนอีกพี่น้องเวลาท่านพี่น้องจะออกไปหาริสกีของอัลลอ์เนี่ยให้ดูตัวอย่างนกนกในเวลาออกจากรังของมันตอนเช้าๆเนี่ย มันก็ออก ส, สแสวงหาลิซกีเหมือนเราออกจากบ้านตอนเช้าเหมือนการใช่หรือไม่ใช่เราก็ออกแต่เราใน ม, มีออฟฟิศที่ทํางานแต่นบออฟฟิศมีมไหมไมบินหาลิสกีของอัเลาเลยน้องเรามีนกตัวไหนบ้างที่อดตายแล้วกลับรางตายมีไหมไม่มีใครเลี้ยงออลอเลีอยงไปน้อง แล้วเราอะไพี่น้องอัลลอฮ์สอนเรานะนบีสอนเราว่าเวลาท่านพี่น้องตื่นเช้าขึ้นมาจงสแสวงหาฤิสกีของอัลลอฮ์ให้ตวกักการทาใจของท่านให้เหมือนใจของอะไรของนกอัลลอฮ์ส่งนกมาให้เราดูไงอโลลอฮี่ออกจากบ้านออกจากรังมาเช้าๆไปหาอาหารเห็นไหมพี่น้องบางทีลูกมันตัวเล็กๆอยู่ในรังน่ะมันเอาอาหารน่ะ เอาไว้ในคอของมันไปน้องในก็เพาะประมันพอมาถึงเดายมันก็เอาเอาอกมาให้ลูเป็นกินอีกใครทําได้อย่างนี้กไปน้องต้องลักตัวรบว่าอัลลอฮ์สอนเราไปน้องให้ดูตัวอย่างนกในการสแสวงหาทีสกีของอัลลอฮ์แล้วมันเคยทะเลาะ ก, กันไหมบ น, บนบนอากาศเนะี่ยมึงจะแยกอาหารกูนะมีไหมไม่มีไปน้องแล้วเราเนี่มนุษย์แยกกันใช่ไหมอ๋อยู่ด้วยกันไม่พอใจ ทางธุรกิจเดียวกันก็นกมีปัญหาแต่นกมีไหมไม่มีครับนี่เป็นข้อเตือนใจสําหรับเราเมื่อเวลาอัลลอฮ์ให้เราดูนกที่มันบินแล้วก็มันหุบแล้วก็สิ่งที่มากกว่าก็คือว่ามันสแสวงหาทฤษกีของอัลลอฮ์โดยที่มันมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับอยู่ไปหูสบายอ้วนกันทุกตัวไม่มีนกตัวไหนบินแล้วมาตกตายเพราะอดอาหารไม่มีครับพี่้องต้องหลายนี่ทําให้เราอิมานเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นนะครับพี่รอง a m a d u ayat yang satu, ayat yang d a m m a n h Amal l a d j i huwa jun d u l l a k u m y a n surukum min dunir rahman. i n i l kafirun, a i l a k l a h firu. r อัลมันฮะจัลลัลลิหุวาจุนตุลละกุมยังซุรุกุมอินดูนีอัลราะห์มานอินอัลคาฟิรุนอิลลาฟิกรูร์อัลฮ h มดุลิลลอฮฺ a ัลลอฮฺเ a ็นต้นนยามันสบายใจแต่ทะลุความหมายนะ อ่าอย่างเดียวไม่รู้ความหมายมันก็ได้ผลเริ่มบุญแต่รู้ความหมายเอาล่ะหัวใจมันสงบแล้ดูความหมายกับอัมมันฮาดัลลาฮีผัวจุนดุลละกุมย่มงสุรุกุมมินดูนุราะห์มานแปลว่าหรือผู้ใดเล่าที่เขาจะเป็นคนทหารหรือว่าพักพวก คือพลภัพของสูรเจ้าช่วยเหลือสูเจ้านอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีถ้าแปลอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยไปนอ้องอธิบายอาธิบายต้องการที่อธิบายออย่อางนี้อธิบายอย่างนี้ให้พวกเราเข้าใจ ง, ง่ายๆก็คือว่าอาลัลลอฮ์ต้องการจะเตือนนาชีวิตในโลกอาคีรอ ชีวิตหลังตายพี่น้องตายแล้วฟื้นก่อนจะฟื้นเนี่ยต้องผ่านนะผ่านอสก่อนนะผ่านกูโบก่อนอพี่น้องอยู่ในกูโบกี่ปีรู้ไหมไม่รู้บางคนเป็นพันปีนอนอยู่ในกูโบพี่น้องถามว่าวะสะเสบียงอ่ะที่เตรียมไว้อ่ะเอาไปใช้ในในกูโบเนี่ยเตรียมหรือยัง สรห้ไหมงานอะไรที่เอาไปชาใช้ในในในในในในสุสานได้นะ่ะงานนมาดงานนมาดพี่นอ้องท่านนมาดดีฮะเวลาไม่ขาดเอาลอร์นัลเดะเบียงอันยิ่งใหญ่เอาไปใช้ในสุสานได้เลยพี่นอ้องไม่ทําบาปพี่นอ้อง แต่นี่คนที่ถูกลงโทษในกูโบน่ะรู้ไหมโทษอะไรบ้างชีโทษชีที่เราชี บ, บนดุน ญ, ญานี่ไปน้องยืนชีผู้ชายนะเราล้างไม่สะอาดถูกลงโทษแน่ๆใครสอนนบีสอนผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ล้างชีให้สะอาดนะครับ ผู้ชายไม่ล้างฉี่ให้สะอาดไปน้องไปถามคนกาเฟ่คนกาเฟ่ไม่รู้เลยว่านา้ํนาำน้ําฉี่นั้นสกปรกหรือสะอาดสกปรกคนกาแฟรู้ไหมไม่รู้มีอยู่กลุ่มเดียวที่รู้กลุ่มมุสลิมที่ว่านา้ำปัสสาวะ น, นี่สกปรกถูกเสื้อผ้าถ้าไม่ซักถ้าไม่ล้างนำมาซ้อมไหม ไม่ซ้อเลยมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มพวกเรานี่แหล้วพี่น้องทั่วโลกที่เป็นมุสลิมแต่ ก, กลุ่มอื่นรู้ไหมไม่รู้ครับเห็นอย่างครับแต่คนที่เป็นมุสลิมนั้นต้องดูแลน้ํานี่นะ่ปะปัสสาวะอย่าให้มันถูกเสื้อผ้าต้องล้างให้สะอาดให้ดีถ้าหากว่าล้างไม่สะอาดถูกลงโทษที่สุสานเรื่องที่สองพี่น้องนินทา เรื่องข้างล่างต่อมาเรื่องข้างบนงข้างบนอยู่ที่ไหนปากเรื่องข้างล่างอวัยวะเพศข้างบนปากถ้าไม่รักษาปากไม่รักษาปากพี่น้องนินทาคนว่าคนใส่ไ ร, ร่คนพี่น้องนี่แหละเป็นเหตุที่จะทำให้ถูกลงโทษไหนกูโบในสุสานพี่น้องรู้ได้ยังไงพี่น้องมีฮะดิษบท่หนึ่งของท่านนาบี มีวันหนึ่งน บ, บีขี่ขี่อูดไปน่องในนครมักก้านะ่ะขี่อูดไปขี่ไปขี่ไปเดินผ่านที่แห่งหนึ่งอูดกระโจนกระโจนพุดขึ้นมาน บ, บีเกือบจะตกหลังอูดน บ, บีอบอกว่าหยุดหยุดหยุดพวกเราหยุดพ่อสะพ้าไปกันหลายคนหยุดหยุดยุดลงจากอูดหลังอูดเดี๋ยวนี้เราก็ไปดูซิว่าที่ตรงนี้มีกูโบใครปักไม้ที่ถูกฝังเอาไว้ เราต้องการจะสอนสอนซอน้าร ส, สอนพวกเราวันนี้พอไปตรวจดูไปเจอกูโบสองกูโบฝังอยู่ตายมาหลายปีแล้วนบีก็บอกว่านี่แหละที่อูดของฉันกระโจนฉันเกือบจะตกหลังอูดก็เพราะว่าชายสองคนนี้คนตายอยู่ในกูโบสองกูโบนี้กำลังถูกลงโทษจากอัลลอ นั่นพี่บอกไม่ใช่เรื่องบาปใหญ่ได้เลยบาปเล็กๆถ้าปกป้องสักนิดหนึ่งนะจะไม่ถูกลงโทษสวาถามว่ า, า, วาโทษอะไรฮะมีอยู่คนมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีอยู่กุโบหนึ่งไม่ได้ชีว่ากุโบไหนมีอยู่กุโบหนึ่งตรงเนี้ยฉี้ไม่ล้างให้สะอาดเอาล้อเพียงล้างให้สะอาดการลงโทษนะ ก, กุโบมีไหมไม่มีที่ไม่ได้ล้าง อีกคนหนึ่งปากเสียนินทาคนว่าคนใส่ร้ายคนเพิ่งจะหยุดถ้าหยุดไม่ดา่าไม่ใส่ร้ายจบไหมก็จบนี่ผู้ทุกว่าคนนั้นว่าคน น, นี้พี่น้องถลายกันแล้วเป็นไงครับถูดลงโทษในกูโบเห็นยังพี่น้อง ที่ผมทำเอามาสอนก็นบีสอนนบีเรีบอก ว, ว่านี่แหละชายสองคนนี้ถูกลงโทษไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องเล็กๆ เ, เพียงแต่รักษาปากกังษาอาวัยวะเพศไม่ฉีฉีแล้วล้างให้มันสะอาดมันก็ไม่มีการทรมานที่หลุมฝังศพ ก, กับไอ้น้องตายใช่ไหมไอ้พี่น้อ ง, องแล้วพวกเราพี่น้องเราไม่ทำอยู่แล้วงานสองอย่างนี้ใช่ไหม เราก็ต้องล้างปัสสาวะของเราให้สะอาดแล้วก็ปากแล้วก็อ่านกุรานวิกรุลล้อแทนที่เราจะนั่งว่าคนดา่าคนไปน้องเราไม่ทําแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไปน้องครับถ้านมาดไม่มีผ ล, ลบุญไม่มีในกูโบไปน้องฉะนั้นนมาศรักษาให้เวลาเอาไว้ไปน้องเออ ย, ยังน้องก็มีเพื่อนคุยอยู่ในกูโบใครมาคุยไปน้องต้อดึกภาพวยใครมาอาลัลลอฮุสซงใครมาครับมาลาอิกะมาคุยอยู่ในกูโบ แสดงครับพี่น้องครับอัลลอฮฺหุอัลบาตุนองทั้งหลายนี่อักุรานนะพี่น้องนะพี่น้องคนที่จะช่วยเหลือเราได้พี่น้องครับนี่ต้องการจะบอกว่านะมนุษย์นี่นะครับอัลลอฮฺเตือนให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าหากอัลลอฮฺจะลงโทษคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรืออัลลอฮฺจะลงโทษคนหนึ่งคนใดก็ตาม เมื่อเอรลงโทษแล้วนะจะเอากองทหารเอาจอักรัฐอเมริกาเนี่มีทหารใหญ่โตใช่ไหมเอากองทหารของเขาที่มีอยู่ทั้งรถทงรถถังปืน น, น, ป น, นู่นปืนนี่เครื่องบินอะไรก็ตามต่พี่น้องเอามาปกป้องการลงโทษของอัลลอ์ในโลกอาคือรักทำไม่ได้นี่ออลลอ์เล่าในกามีกุรอานฉะนั้นหลายคนคิดว่าโอ้ฉันมีพวกเยอะ อาจารย์กรณีว่าฉันไม่ลูกศิษย์เยอะศิษยม อ, อัลลัฟเนี่มีเป็นพันอ่ะเดี๋ยวลูกศิษย์ฉันนี่ละพันคนมาปกป้องฉันแค่อยากอาลอดลงโทษในวันเกียมะทําได้ไหมไม่ได้นี่ค่ะเตือนอาญานี้เตือนฉะนั้นใครจะมีลูกร้อยคนพ่อเสอในสมัยนบีนะ่ยบางคนมีลูกถึงแปดสิบคนนะ่ะครอบครัวเดียวนะ่ะมีลูกแปดสิบคนเขาก็คุยว่าลูกฉันเนี่ยช่วยปกป้องฉันได้ ต่หากอลอจดลงโทษแล้วลูกแปสิบคนไม่ช่วยได้อลอเล่าว่าไม่มีใครช่วยได้นะครับอลลอแค่นอนอยู่ในกุโบเนี่ยลมขนะเนี้เด็กได้พหมพน้องเห็ น, นยังพี่น้องนี่อลอจับใส่หีบหมดแล้วใครที่ว่าเก่งขนาดไหนก็จังเวลาตายแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยพามาจับใส่หีบด้วยพี่น้องแล้วฝังใต้ดินหมดสิทธิ์ไหมหมดสิทธิ์ แค่นั้นถ้าจะมีอยู่อย่างเดียวถ้าต้องการจะช่วยเราให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ไม่ใช่กองทหารไม่ใช่ลูกแปดสิบคนเก้าสิบคนร้อยคนไม่ใช่มมอัลลัฟจะคุมคออาจารย์อัลลอฮ์นี่มีอยู่พันคนช่วยไม่ได้ครับพี่น้นองถ้าจะให้มีอยู่สิ่งเดียวที่จะช่วยได้ให้ปลอดภัยจากการลงโทษในกุโบคืออีมาน มีอิมาอยู่อย่างเดียวพี่น้องที่อัลลอฮ์เล่าใ น, นกรุรอานนะมีอยู่อย่างเดียวที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากการลงโทษที่สุสานได้และการลงโทษในโลกอาลัยมีอยู่อย่างเดียวคืออีมาพี่น้องเอาไปเดินซื้ออีมาดีไหมนี่จะหาอีมานต้องมานั่งอยู่ในอัญมานตึกอัญมานนี่จะหาอิมานต้องอ่านอัลกรุรอาน จะหาอิมานต้องถามว่านาบีมุฮัมมัดนั้นทำอะไรไว้บ้างในชีวิตของท่านเอาความรู้ที่ท่านนาบีปฏิบัติไปน้องนําเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไปน้องเอาคุณรู้ว่าวิธีที่จะปลอดภัยจากการลงโทษในกุโบหาอะไรไว้นะหาอะไรนะหาอิมานให้เรียนรู้เรื่องอิมานให้หาอิมานก็ไปน้องมีอยู่อย่างเดียว อัมมันฮาจัลลาฮิจุนหัวจุนดุลละกุมยาสุรุกุมมินดุนิรักมานผู้ใดเล่าที่เขาจะเป็นพลพักหรือพักพวกหรือกองทหารของสูเจ้าช่วยเหลือสูรเจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาปราณีเท่านั้นที่ช่วยได้กองทหารช่วยไม่ได้พักพวกประชาชนช่วยไม่ได้ กองคาราวานช่วยไม่ได้กองทหารช่วยไม่ได้รถถังช่วยไม่ได้ไปรอมขึ้นบินรบช่วยไม่ได้ถ้าจะให้ช่วยได้ไม่ให้ปลอดให้ปลอดภัยจากการลงโทษมีอยู่อย่างเดียวคืออะไรนะอีมาพี่น้องผมนึกถึงนึกถึงอีมานี่พี่น้องครับเอาล็อราคาแพงมากนะพี่น้องนะอีมานมีทั้งหมดกี่ข้อ ขกออาอามันตุบิลลาว่ามาลาอิคติฮิวากุตูบิฮิวารุสูลิฮิวายาวลอาคริวับิลก็จะได้คอยดีว่าชารีพี่น้องขกขอ้ขอนี้ช่วยปกป้องท่านไม่ให้ถูกลงโทษอยู่ในกุโบพี่น้องอ่านกูอ่านสุร้อนี้สิสุร้อนอะไรนะตาบาระกะลลิบิยาดิฮิลมุลกูวาฮูะละกุลลิชัยอิงกอดีอ่านให้จําแล้วก็อ่านทุกวันอ่านทุกคืน อัลลอฮฺจะให้ท่านปลอดภัยจากการลงโทษที่ไหนที่สุสาเห็นยังไหมพี่น้องอ่านกุรอานสุร้อนนี้แหละที่ท่านถืออยู่นี่พี่น้องอ่านให้จําเลยอัลลอฮฺเขาอัคบัตรพี่น้องนี่นบีพูดนะปลอดภัยจากการลงโทษแต่อ่านกุรอานสุร้อนนี้อย่างเดียวได้ไหมพี่น้องมันต้องเข้มขัดด้านอื่นๆอีกใช่ไหม ด้านศาสนาก็ต้องดีแต่งกายก็ต้องถูกต้องตามหลักอิสลามอ่าปากก็ต้องระวงังไม่ได้นะไม่นินทาใช่ไหวพี่น้อง Al illah, อัลฮัมดุลิลละทั้งหลายนะครับอ้าวอะตอมาต่อม า, อม า, อมาทีนี้คนถ้าไม่มีอีมานพูดอีมานอย่างเดียวก่อนพี่น้องนะอ่ะอายานี้นะพี่น้องมีอาย่านี้อธิบายเปนอาทิย์ไม่จบ เราอธิบายเล็กแน้อยพอพราะเราเก่งอยู่แล้ว <c oughs> เรื่องอีมานพี่น้องอ่านใค่อีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวดูไหมได้ยังไงนี่นบีสอนอย่างนี้ครับพี่น้องวันวันศุกร์พี่น้องไปนมาวันศุกร์ใช่ไหมได้อีมานส่วนใหญ่ก็จะอ่านสุระ อ, อะไรสุรซาบิฮิสใช่หรือไม่ใช่ นต่มันมีอยู่ตอนใกล้ๆจะจบก็คือกอเดอฟุลละคารมันตาจักกะวาจักะรอสฟาโรบบีฟาซาลลาบัลตุซิรุนัลฮัยัดดันดุวัลอาคิรัดูคอยุวะอาบกอโอเคสามีอายนนี้พอพี่น้องใช้ตอนเนี่ยมันให้เรานะมาด มันไม่อยากให้เรานามาตแต่เรื่องเรานามาอา้าวแสร์ตอมันก็แพ้เราแมันก็ยุ่ต่ออีกเองนามาอ่านคุณอ่านฟังอิมามอย่ารู้ความหมายมันก็ยู่ต่อไปอีกอีนี้เรารู้ความหมายแหละอ่านดูความหมายนะก็เดาอัปลาฮมันตาซักกคัมแปรดีน้องครับคนที่แท้จริงผู้ที่ได้รับความสำเร็จ ใครรู้ไหมมันตาจักกะก็คือคนที่ชําระหัวใจให้สะอาดก็จะอัฟละฮามันตาจักกะพี่น้องคนที่นีอลัลลอฮฺสัญญานะแท้จริงเขาคนนั้นจะได้รับความสําเร็จมันตาจักกะผู้ที่สักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดเอาพี่น้องสักฟอกหัวใจให้สะอาดทํำยังไง ไปนอนโรงพยาบาลให้หมอผ่าหัวใจมาซักให้สะอาดทั้งนั้นเลยไม่ใช่พี่น้องซักฟอกหัวใจให้สะอาดอย่าทำชีริกต่ออัลลอฮ์นี่วิธีการรักษาหัวใจให้สะอาดอย่าทำชีริกต่ออัลลอฮ์อย่าทำบิดะทำแต่เชื่อในอัลลอฮ์องเดียวจริงๆพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีพี่น้องหลายคนเนี่ยนั่งขึ้นบินช่วงนี้กลัวกันหมดนะ่ะ รกันมดเพราะว่าเครื่องบินตัวอย่างที่ตกแอร์เอเชียของอินโดนีเซียไปน้องและคนชอบนั่งแอร์เอเชียเพราะว่าอะไร น, นั่งมันถูกดีถูกโลคอสโลคอสจะที่ไหนได้พอขึ้นใจกันนึกเครื่องบินพอลมมาอินน่าลิแล้วอินนาอิลาอา ล, ลาอยู่รอจงนอนกลัวไหมคนที่มีอีมันเขาไม่กลัวตายเป็นงานของอัลลอ์มาจากงนงาน ง, ง, งานของมนุษย์ พี่น้องแต่นึกถึงกันว่าานึกถึงกันว่าอย่ารอลลอย่าให้ฉันตายเลยอย่าอยู่ไปอีกนิดนึงอามันสนลายยังไม่ครบลูกสายยังไม่ได้ดแต่งงานลูกชายยังไม่ได้เป็นห่วงกลัวจะไปหาผู้หญิงผู้ชายมาอยู่เป็นคู่ครองมันต้องฉันนี่เป็นคนดูแลเป็นตากว้างตาไกลมองอะไรออกหมดตัวผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้ดีไหมอยากให้ก็ให้แต่งงานลูก่อนค่อยตาย ขอทุ้ากันเยอะขึ้นไปนอนทั้งหลายฉะนั้นเอาสรุปสั้นคือว่าคนที่จะได้รับความสําเร็จในชีวิตก็คือหัวใจของเขาต้องซักฟอกให้สะอาดคือใจของเขาต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดไม่กราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่กราบต้นไม้ไม่กราบแม่น้ําคงคาไม่กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกคนนั้นเป็นคนที่ใจสะอาดถึงแม้มุสลิมก็เหมือนกันเวลามีปัญหาไม่ไปหาโต๊ะตะเกียน่ะ ตัวเดกฉันไม่ไปพอไปปัพบใจสุกปรกเขาเรียกว่าคนนี้หัวใจไม่สะอาดอัลลอฮไม่ให้คนนี้ได้รับความสาเร็จหลังตายต่อมาครับว่าจกอรสมาร บ, บีฮิฟะซุลคนหัวใจสะอาดหรือคนที่จะได้รับความสุจในชีวิตแบบไหนครับรำลึกถึงพระผู้อภิบานของเขาจักอรสมาร บ, บีเขานึกถึงอัลลอฮฺน้อง อา่นอทนออกจะบ้านพป่น้องอ่านดูอามายุต้นแล้วตอนจะออกอ่านใช่ไหมบิสมิลลาฮิระวิกะานุอัลลอฮิวะลาฮ์วะลาวะลาห์วะตะิลลาบิลาอ่านทุกคนมุสลิมอ่านทุกคนนบีกอ็อ่านพญ า, านบีกอ็อ่านสวาบานบีกอ็อ่านพวกเราก็อ่านตามไรตามนบีอ่อพอจะขึ้นรถ سبحانالذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمُحِلِّبُونَ อัลลอฮฺอักบาร์ผลงมามาเจอจันกร์คนี้อัสสลามุอะลัยกุมยิ้มก็วันละให้สลามไปหลังเป็นการนึกถึงอัลลอฮหมดเลยครับใช่หรือไม่ใช่อัสสลามเป็นชื่อของกาชื่ออัลลอฮอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮป็้อง เนี่ยถ้าชีวิตเราอยู่กับศาสนาแบบนี้เขาจะไว่านะใจสะอาดพี่น้องแล้วต่อมาครับวาจาการอสมา บ, บีฟาซอลลาแล้วก็ทํานามาด้วยภมเอาซูราะซับเบเฮสมาอธิบายพี่น้องอธิบายความว่าอะไรนะคนใจสะอาดเนี่ยเขาทํากันยังไงคนที่มี إ ي م าตนต่อโลกเขาอยู่กันยังไงพี่น้องอ่เมื่อนามาเสร็จแล้วยังไม่พอครับพี่น้องความคิด ความคิดทุงเราเนี่ยคิดยังไงดูกุณอ่านต่อไปบันตุสิรนัยาตะดุนยาอัลเลาะห์ให้เรามองคูณมองดูคนบนโลกใบนี้อลัลเลาะห์บอกให้รู้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบโลกดุนยาให้เราสเกตสเกต ด, ดูตัวเองด้วยตุสิรนัยาตะดุนยาชอบโลกดุนยา มากกว่าโลกอาคิโรสสังเกตแต่เราอย่าเป็นอย่างนั้นนเราต้องชอบโลกอาคิโรสมากกว่าโลกดุนยาตัวแทนของโลกดุนยามีกี่อย่างเดีย๋ยวจำได้ไหมสีอย่างตัวแทนของโลกดุนยาเ น, นี่ยเอาล่อเล่าในคัมีลกุรอานมีอยู่สี่อย่างหนึ่งเงินเงินงนี่เป็นตัวแทนของอะไรนะของดุนยา ไม่ได้ไหมายความว่ามุสลิมแตะเงินไม่ได้ไม่ใช่มีหาเงินได้พี่น้องแต่หามาแล้วได้มาล้านเป็นของคนอื่นเท่าไรพี่น้องสองม ห, าากกา ห, หมืากกาม่นห้าจักรันงใช่หมจักรันสองหมื่นห้าเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราได้มาล้านหนึ่งเป็นของคนอื่นสองหมืนห้าแล้ว ของเด็กกำพา้าแม่ม่คนยากคนจนมัสยิมสดมัสรุมเรียนพี่น้องเด็กกำพา้าของคนเป็นความคุอื่นนะประมาณ 25,000 าใครพี่น้องแล้วก็สดก้ออีกละ่ะต้องดูแลคนอื่นอีกเป็นความคุอื่นนีงเวลามีเงินพับต้องนึกสี่ข้อหนึ่งากาศสองสดก้อสามฮาดียะสี 4, ว่วะกัสอ่ะถ้ามีสิบล้านแล้วอีกนึกเยอะ กูไม่ให้ใครเลยอัลลอฮ์กูเาว่าแสดงไว้เองเนี่สักฟวกหัวใจไม่เป็นคนจะซักฟอกหัวใจเป็นต้องบริจาคมีเงินกลับดูแลคนอื่นอ่าพี่น้องตัวลงว่าอัลลอฮ์เล่านะคนส่วนใหญ่อยู่บนดุนยาใบนี้ชอบชอบอะไรนะชอบรักดุนยาใบนี้ตัวอยาของโลกดุนยามีอยู่สีข้อคือหนึ่งเงินสองชื่อเสียง สามเกียรติยศสี่ตำแหน่งสยยย่วนใหญ่อยู่กับอยู่กับอยู่ประการเมืองเยอะอยู่กับสุราก็มีอะตำแหน่งอิห ม, ม่ามกรรมการสุเราวกุมการมัสยิดอ่านะพี่น้องเนี่ยนี่มันชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศทั้งหมดแล้วบางคนมันอยู่แล้วมันติดนะพี่น้องอโล แต่มุสลิ ม, มนัดมีได้ไหมมีได้พี่น้องแต่ต้องเอาสีรายการนี้มาบำรุงศาสนาของ Allah เอาสีรายการนี้มาดูแลคนของ Allah เอาสีรายการนี้มาปกป้องศาสนาของ Allah เอาสีรายการนี้มายกให้คนได้เข้าใจศาสนาได้อีมานเข้าใจศาสนาง่ายๆอย่างเนี้ย Ahmad Nana นี่อะไรพี่น้องมีตึก ถ้าจะให้เช่านี่ได้ไหมได้แต่ถ้าไมรักษาไว้เพื่อทครับรักษาเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้มานั่งฟังศาสนานีงานพี่น้องมีเงินมีที่ดินมีอาคารเราไม่ทําการค้าบทุยา่างนี่จะเป็นค่าใช้จ่าชนิดหนึ่งเนี่ยให้คนได้มาฟังศาสนาให้บรนดาภูรู้อาลีบูเลมะได้มาสอนศาสนาไปสอนคุรานไปสอนฮะดีษพีน่น้องแล้วก็เปิดแอ ค่าใชจ่ายมีไหมมีครับมีเงินเอาเงินของเราเนี่ยมาดูแลคนดีไหมดีมีตำแหน่งพี่น้องตำแหน่งอบอจยกตัวอย่างได้พวกประมาณปีหนึ่งหลายสิบล้านการเอาไว้บางส่วนให้บรรยายศาสนาอ่าอบรมศาสนาพิมพ์อัลกรุรอานแจกพิมพ์หนังสือแจกพี่น้องให้เด็กกับผ้า แล้วก็ภาคฤดูร้อมีการรวรวมเอาเงินของอบจ อ, อบตอนี่มาดูแล ง, งานศาสนาได้ไหมได้พี่น้องแต่บางคนเวลามีตําแหน่งแล้วลืมหมดเลยน่ะคิดถึเข้าดาวเข้าดาวเข้าดาวเข้าดาวยังไงวันปีใหม่ปีเก่าจะมาแล้วปีใหม่จะม า, ป, มะมาปีเก่าจะออกเข้าดาวเอาเงินของอัลลอฮ์ที่เป็นริสกีนะ่ะมาทำเป็นของฮาราฮหมดเลยสำหรัคนประเภทนี้มีตําแหน่งใหญ่โตจริงพาไปนรก ทำทำไมไปน้องเท่าไรทำไมไม่เอาเงินนี้มาดูแลคนมาดูแลคนเข้ามาัสยิดดูแลคนเข้าใจศาสนานี่ปีใหม่ปีเก่าดีไปน้องเราคนทำบาปคนเท่าไหร่ขาดนมาดมาต้าตงห่วงเข้าดาอีกเท่าไหร่ี่น้องแล้วก็เสียผู้เสียคนอีกบ้านช่องไม่ได้เข้าไปน้องกินเหล้ากินยาทำศีนากันไปน้องท้ว่า เสียหายเท่าไหร่พี่น้องไม่ต้องพูดว่างบ ป, ประมาณที่หมดไปกับการเข้าดาวเนี่ยไม่รู้กี่พันล้านทั่วโลกนะ่ไม่รู้กี่แสนล้านพี่น้องเท่าไหร่ทำให้คนลืมมาลอเหื่อเท่าไหร่พี่น้องทั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องอ่านคุตาอันอย่างนีน้ตรงนึกบรรตุซิรูนัลไหยะจัน ด, ดุญยาคนเนี่ยรัก ชอบดุนยาใบนี้มากกว่าโลกอาคีรอมากกว่าผลและบุญที่จะตสรับเป็นโลกอาคีรอแต่เราต้องทำตรงกันข้ามพี่น้องเราต้องเอาเอาโลกอาคีรอนั้นสาคัญกว่าโลกดุนยาโลกอาคีรอนามาตรพี่น้องอ่นอ า, านคุรานวิครุลโลนบริจาคดูแลคนยากคนจนพี่น้องให้คนเข้าใจศาสนาง่ายๆพี่น้อง มีเงินซื้อตั๋วแล้วก็ทำฮัดทําอุมรอดไม่ได้อ่ะมีอยู่คนหี่น้องบางคนไปอุมรอดทุกปีห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นอ้าวเอ า, เอาลูกหลานไปกันทุกปีพี่น้องปีนี้ ไ, ไปได้ไหมเราเงินที่เรายกให้เนี่ยอยุ้มว่าบนบนี้ไปให้เตยคนนี้ไปให้บางคนนี้ไปไปทำอุมรอดไปผลประนได้กับเราไหมได้ด้วยไอคนทําก็ได้ของเขาเราได้ด้วยพี่น้อง ทำไมเราไม่ทงกันแบบนี้ครับพี่น้องเาฉะนั้นอย่าหลงโลกดุลยาจนกระทั่งลืมโลกอาคีรอพี่น้องวัลอาคีรอทุาอขโยวะอบกออาคีรอนั้นดีกว่าแล้วก็อบกอมีอายุยาวไปตลอดไปมีวันหมดอายุโลกดุลยาไม่นี่มีวันหมดอายุไม่ที่เราก็หมดก่อนเมื่อที่โลกดุลย์าก็หมดก่อนเราไม่รอหูอวลำ ทุสิ่งทุอย่างมีวันหมดอายุหมดเลยครับท่านคืนโลกดุนยาในี้พี่น้องจากนั้นคนที่จะอยู่กล้ชิดอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องใช้กองทหารใช้อะไรนะใช้อีมานหัวใจที่สอาดานั้นเองที่จะอยู่กล้ชิดกับวว <S <S อมมัลลแลุะอลฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮลลอฮ์อัลลอฮัฮัลลฮลลัอั์ อายานีเตือนนะครับให้มนุษย์เข้าใจง่ายๆว่าถ้าอาลัลลอฮ์จะลงโทษคนหนึ่งคนใดจะชายกองทหารที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจที่สุดในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการทำลายของอลัลลอฮ์ได้นี่อายานีอธิบายอย่างนี้พี่น้องอินิลกาฟิรูนนอิลลาฟิรูรพวกปฏิเสธ คนกาเฟตเป็นยังไงครับอลัลลอ์เล่าเองนะฟีกรูอยู่ในการหลอกลวงถูกหลอกพี่น้องพวกเขาปฏิเสธอยู่ในการหลอกลวงเท่านั้นหลงทางพี่น้องอลัลลอ์เห็นอย่างครับคนที่ไม่รู้จักอลัลลอ์ คนที่ไม่ไม่สามารถชําระหัวใจตนเองให้สะอาดเป็นนี่พี่น้องทําไม่เป็นนะถูกหลอกดุลยาหลอกพี่น้องคนที่เข้าหาอัลลอฮ์ไม่เป็นถูกหลอกคนที่ไม่รู้จักนบีถูกหลอกคนที่มีกุรานแล้วก็ไม่เคยอ่านกุรานถูกหลอกอะไรหลอกกับดุลยานี่มาหลอกเงินมาหลอกชื่อเสียงหลอกตําแหน่งหลอกเกียรติยศถูกหลอก ให้คนออกห่างาศาสนาของอัลลอฮ์สุพรรณหัวต า, าลยพีท่นั้นครับถ้าหากว่ า, าศาสนานี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอัลลอฮ์จะไม่ส่งนบีมาหรนบีคนสุดท้ายนาบีอะไรครับนบีมุฮัมมัดก่อนหน้านาบีที่มีชื่อต่กนพีกรอ่านกี่ท่านครับยี่สิบห้าท่านที่ไม่มีชื่อเท่าไรเป็นแสนที่ไม่มีชื่อนะ่ะเป็นแสนส่งมาทําไมแต่เยอะเท่นานานี่พียงเ่น้อง เป็นห่วงมนุษย์ไงพี่น้องอลัลละฮฺเป็นห่วงมนุษย์อลัลลอฮฺก็ทำอะไรแล้วก็ให้คำพีกุรอานมาเป็นนบีเป็นคำพีเล่มสุดท้ายสิพี่น้องเลยแล้วก็สอนทุกเรื่องนะอา้าวผมขอยกตัวอย่างว่ากุรอานเนี่ยสอนอะไรอา้าวอีกอายาอื่นนะอายาอื่นอายาอื่นในกนารอธิบายอายานี้ยนะอายาที่ยี่สิบไงพี่น้องกุรอานให้เพืนพี่น้องฟังนะ ว่มันอ้เราบอกอ่านดิครีที่คาอธิบายนะกุรานอธิบายคุณอา่านด้วยกันเองว่ฟาอินนาลาหูมาอชาตัมบองกาใครที่หันหลังให้กับการล้รำลึกถึงฉันคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานพูดง่ายๆนะนะคนที่หันหลังให้กับอิสลามคนที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์คนที่หันหลังให้กับนบีมุฮัมมัด รู้ไหมเป็นยังไงบนดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เขาเหมือนไม่มีอะไรเลยไปน้องเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะดูซิคนคาเฟตกับมุสลิมอยู่กันแตกต่างกันไหมคนคาเฟตดีกว่ามุสลิมใช่ไหมไม่ใช่บ้านใหญ่กว่าใช่ไหมตําแหน่งดีกว่าเงินมากกว่าแต่ถ้าอ่านคุณอ่านลึกๆพิจารณาลึกๆผมจะเที่ยงถ้าพี่ น, น้องเห็นคุณอานพูดอย่างนี้ใครที่หาหลังให้กับอัลลอฮ์ ห, หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับนบี ม, มุฮัมมัดหันหลังให้กับซุนนะนบีเป็นไงครับฟาอินนัลลฮูมาอิชาตัมดองกาการเป็นอยู่ของเขาจะคับแคบการเป็นอยู่ของคนที่ไม่เอาอ ia, ิสลามเนี่ยขับแคบยึดอัดอธิบายยังไงเราเป็นคนสามโลก เราเป็นกี่โลกไปเนาะทั้งหมดมั้สี่โลกนะไอ้โลกไอ้โลกอารัปอะวานาผ่านมาแล้วเราอยู่โลกใบที่สองเดี๋ยวไม่ช้าพอตายอยู่โลกใบที่สามพอโลกใบนี้โลกดุนยาหมดใบที่สี่มาอาคิร์เราเป็นคนสี่โลกปีนี้แต่เราน่ยผ่านมาแล้วโลกเนิ่งยังไกเราอยู่กันโลกใบที่สองแล้วข้างหน้าไปที่สามแล้วกที่สี่ คนที่ไม่มีอิสลามไปน้องคนที่ไม่มีอัลลอฮ์อึดอัดไม่สามโลกเลยอธิบายยังไงไปน้องนี่ไปน้องอ่านหนังสือพิมพ์ล่ข่าวคุบทุกวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฆ่าฆ่ากันตายใช่ไหมพ่อตายแม่ตายลูกตายตา ย, ตายหมดเลย ทำไมแล้วก็คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยพี่น้องหาทางออกของชีวิตไม่ได้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่พี่น้องหาทางออกไม่ได้เวลามีปัญหาคิดอยูได้อย่างเดียวตายดีกว่าแล้วมันจบถาว่าตายแล้วจบไหมตายไม่จบอันลามบัสราเจออีกน่ะนี่คนกาเฟตคิดอะไรไม่ออกจริงๆริงพี่นอ้องเฮ้ยสงสารเอาแค่รักกัน แครรักกันผู้หญิงรักผู้ชายหรผู้ชายรักผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่เล่นตัวเล่นเล่นตัวหน่อยไ่้ไหมค่ะไอมีทางออกแค่นี้เหรอเนี่ยอัานไม่ไปน้องนี่นะขับแค บ, บหาอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้ดีเนองแต่คุรานสอนไงรู้ไหมสอนอย่างนี้ว่าไมยะตบิลละยะจัลลัลูมะโคราจ ใครที่ตักว่าต่ออัลลอ์คนที่มีอัลลอ์มีาศาสนามีนบีมีกุรานยะยอัลลอฮุมักรอยะเวลาเขามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยอัลลอ์ให้ทางออกกับเขาเห็นยังปีน้องมุสลิมที่ฆ่าตัวตายมีไหมขนาดพวกเราเนี่ยยาเฮยเฮไม่เอ า, าศาสนาขนาดนี้เรายังไม่คิดฆ่าตัวตายเลยปีน้องเพราะอัลลอฮ์ชี้ทางนำเอาไว้นะกัมีกุราน ยิ่งคนมาเรียศาสนานี่ที่ตึงอันยุมันนี่พี่น้องใครคิดที่จะฆ่าคนนี้ไหมไอ้คนนี้มันคืนแฟนเจ้าเรายิงแม่มดีกว่ามีไว้ไม่มีเราเป็นนึกอย่างอื่นนึกสงสารเมตตาให้อภัยทําไมนึกแบบข้ออรรถชีทางไม่ไหวไงพี่น้องทางไม่ได้อย่างนี้ทางที่สองไม่ได้กับทางที่สาไม่ได้กับทางที่สี มันมีทางออกตั้งเยอะแยะเพราะว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าว่าไม่จตัพิลยจอัลลฮุมัจาใครที่ إ ي ต่ออัลล์คนที่กลัวอัลลอ์เวลามีปัญหาเดือดร้อนอัลลอ์ให้ทางอออัลฮัมิลอร์ีุกคนแต่คนกาเฟหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมอัลลอห์อักกุรเห็นยังไงไปน้องแตกต่างกันหแตกต่างกันเอ้านั่นโลกดุนยาเอ้ามาโลกอาคีร โลกโลกเนี่ยโลกอัลลัมบัซักตอนนอนตอนอพอพ่อฆ่าตัวตาปั๊บเนี่นะเจออัลลัมบัซักเจอโลกที่อยู่ในกูโบจะเป็นเผาหรือฝังก็ต า, ามอยู่ในกูโบทั้งหมดคืน่น้องอยู่ในกูโบเป็นไงครับนบีสอต่อนะซี่โคมของเขาจะภาษานกันแบบนี้ถามว่าภาษ า, ากันนะ สบายด้ือว่าละบากไม่สบายนะอะไรบิดดินบีดพี่น้องครับดิน ม, มันดีคุณจะเผาหาศพไม่เจอก็อยู่ใต้ดินพี่น้องที่อื่นไม่มีอัลลอฮฺสัญญาเอาไว้ต้องอยู่ใต้ดินทั้งหมดฉันเผากระดูกไม่มีนั่ละอยู่ใต้ดินไม่ตรงนี้ก็ตรงนู่นสักแห่งหนึ่งจะนั่น ตอนอยู่ในอันดับบาซากนะอัลลอฮฺจะให้สิก โ, โฮมเขาภาษานั้นแต่มีแผ่นดินจะดีไปน้องเจ็บไหมเจ็บที่สุดเลยไปน้องเจบกบบนดุนยาเนี่อีกไปน้องอึดอัดไหมยังไงอึดอัดแล้วไปน้องพอฟื้นขึ้นมาในโลกอาคือเราอยู่บนดุนยาเนี่ยพูดมาอยู่บนดุนยาเนี่ยอุดอัดข่ากันตายอึดอัดยิงกันตายไปน้องจบไหมไม่จบไปเจออาดาบใน กูโบอีกพอฟื้นขึ้นมาตาบอดไปน้องคุณอ่านตรงไหนครับพอฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพทุกคนต้องฟื้นหมดไปน้องพอฟื้นปั๊บเนี่ยมองไม่เห็นน่ะก็ประท้วง อ, อ, อ, อัลลอฮลเหรอทำไมฉันตาบอดน่ะบอกกอดกุก้งตัวบาซีรอเมื่อก่อนก็อยู่บนดุนยาอลัลลอฮ์ให้ฉันตาดีพออยู่ในอยู่ในกูโบ อ, อยู่ในสุสานทําไมตาบอดอ่ะอลัลลอฮ์ก็ตอบว่าอย่างงี้ ที่คุณตาดีแล้วก็มาตาบอดอยู่ในกูโบ่พอฟื้นขึ้นมามองอะไรไม่เห็นเพราะว่าฉันให้นบีมาให้กุรอานมาให้สุนนนาบีมาให้สามสี่อย่างให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับคุณคุณทําเป็นมองไม่เห็นทําเป็นเมินมองซึ่งศาสนาอิสลามไม่เอาคุณผมเอถือบท นมาตที่เราก็ตามใจไปน้องปฏิเสธอิสลามทั้งหมดในไปน้องแล้วก็ทําเป็นบองมาเห็นแค่นั้นที่คุณตาบอดแต่โลกอาคีราะเพราะคุณเนี่ยตาบอดกับกุรอานมาก่อนใช่หรือไม่ใช่คุณไล่กุรอานมาก่อนคุณดา่าดามุสลิมมาก่อนใช่ไ้ยดา่นานบีบุญหมัดมาก่อนใช่ไหมวันนี้อัลลอฮ์เล่นงานคุณบ้างแล้วไปน้องครับเห็นอย่างกับนี่เขาว่าอึดอัดไปน้องอึดอัดสามโลกในไปน้องนะ แค่นั้นไปน้องครับมาเรียนศาสนากันเยอะๆไปน้องเลยคนที่เรียนศาสนาไปน้องเวลาเกิดมูซีบ้างอายยกตัวอย่างเนี่ยออกไปนั่งรถไรรถเกิดชนกันนบีสอนถ้ารถชนกันไปน้องรถแค่พังแล้วตัวเราปลอดภัยเรากล่าวว่าอัลฮมดุลิลละนี่ใครสอนครับนบีสอน อัลฮัมดุลิลลาห์แค่รถพังอย่างเดียวร่างกายยังสมบูรณ์อยู่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณเอาก่อนี่ทางออกของชีวิตใช่หรือไม่ใช่ใชอา้าวถ้าทาว่าเกิดชนกันหรอรถพังขาหักแล้วก็กลายอัลฮัมดุลิลลาห์แค่รถพังแค่ขาหักแต่ขายังไม่ได้ขาดคุณได้ไหมพราะ น, น้าทีสอนใหคิดที่ทางออกไง้ไปนะ้อง ชี้ถัดอย่างนี้นะฮอกอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้อัลลอฮ์ไปน้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาได้อัลลอฮ์อากรบเอ้าบังเอิญอัลลอฮ์จัดไปน้องรถก่อพังขาขาดอีกพราะขาขาดว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลาแค่ขาขาดตัวยังไม่ได้ขาดตัวยังอยู่ใครสอนให้คิดอัลลอฮ์สอนให้คิดแบบนี้ มีทางออกหรือยังพี่น้องทางออกของชีวิตเห็นไหมพี่น้องฉะ น, นั้นไม่มีทางตันพี่น้องทั้งหลายอา้าวท่านพี่น้องกําลังเรียนหนังสืออยู่ในตุกอันดุมันนี่พี่น้องเกิดมีศัตรูศัตรูทิ้งระเบิดตู้มรงมานี่ผมด้วยอาจารย์กนนี้ตายหมดเลยตรงนี้พี่น้องคิดอยนางไรตายเฉยเพราะไรคนที่ออกจากบ้านของเขา มาเรียนศาสนามาเรียนคุรานถ้าถูกฆ่าตายเขาเรียกว่าตายอะไรตายีจไปไหนนวานุสรกไปสวรรค์ดีไหมทางออกมีไหมนี่ฮะพินอลเลยเห็นยังกับคนที่เรียนศาสนาคนที่เข้าใจคุรานคนที่เข้าใจสุนานานรีบบ จะไม่มีคําว่ากุ้มอกกุ้มใจจะไม่มีคําว่าเสียใจมิจะจะยังได้ได้ได้ไ ด, ได้ไม่ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อัลฮัมดุลิลละนี่งไงวะไมยะตะกิลละฮะยะจัลละหูมะฮเราจัใครที่ตักวาหัวใจที่ตักวาต่ออลลอดอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่ชีวิตของเขาไม่ตันกี่นะ้องไม่ตันคือห้ามเลยนะผมมั่นใจว่าไม่ตันเพราะว่าสุภาษกาศในชีวิตมีผ่าน ผ่านผมมีเยอะผ่านคุณแอนก็เยอะผ่านจางกรณีนั่งอยู่นหน้าผมนี่ก็เยอะดีน้องคาว่าตันไหมไม่ตันอา้าวยกตัวอย่างมีผู้ชายอยู่สามคนมนินนาบีลเล่าเองนะว่าชีวิตของคนที่มีศาสนาที่เข้าใจคุรานเข้าใจสุนนะและรักอัลลอฮ์เราซูลนะไม่มีทางตันมีชายอยู่สามคนเดินทางออกจากบ้านเสร็จแล้วก็ ต้องการจะไปทําธุรกิจสักแห่งหนึ่งน่ะฝนตกพอฝนตกก็แอบเ ข, ข, ข้าไปแอบอยู่ในถ้ำพอไปแอบในถ้าฝนตกตกแรงแรงลมพายุมาหินจากบนภูเขานี่พี่น้องลงมามาปิดปากถ้ำเขาดีเลยพี่น้องแล้วก็สามคนนี้ จับหินเฮ้ยไม่มีทางออกได้เรามีกับตายกับตายพอหินก็ก้อนใหญ่อยู่บุญถ้ำโดยไปน้องโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนก็ไม่มีไปน้องก็จะทําไงอ่ะมีกับตายกับตายสามคนนี่นั่งปรึกษากันพี่รองครับทําไมต้องปรึกษาล่ะนี่ไงเอาล้อชี้ทานังง่งเอาไว้อ่ะก่อนที่เข้าอะที่ศาสนามาใช่ไหมล่ะพอไปเจอปัญหาปั๊บปรึกษาให้ สามคนเราสามคนเนี่ยมีความดีอะไรบ้างที่ทําแล้วอลัลลอฮฺพอใจในอดีตมีไหมเอาคิดคิดสามคนนี่นั่งคิดโอ้มีอยู่คนหนึ่งพูดว่าเฮ้ยฉันมีความดีอยู่อย่างหนึ่งฉันนี่เป็นคนที่รักพ่อรักแม่ถามว่ารักพ่อรักแม่นี่อลัลลอฮฺรักไหมอลัลลอฮฺรักนะชายคนนี้เล่ า, ว, าว่าฉันนี่รักพ่อรักแม่มาก ว่าฉันไปเอาอะไรนะเอาแพะเอาแกะไปเลี้ยงตอนตอนเย็นเย็นตอนเช้าเช้าเนี่ยกิจะกลับบ้านก็ตอนเย็นนี่นะสิ่งแรกที่ฉันทําก็คือว่ารีดนมให้ใค ร, ใครกินนะให้พ่อกับแม่กินก่อนเป็นคนแรกลูกภรรยากินที่หลังตูวคํารับนี่วันหนึ่งฉันเอาแพะกลับมากลางคืน ไปไกลมากกลับมารีดนมมาให้แพะให้ให้พ่อกับแม่กินพ่อแม่รับแล้วก็ถือนมเยี่ยอย่างนี้จะก็ทั่งพ่อแม่ตื่นนะตอนตีเทรายไม่ทราบส่วนลูกๆ ก, ก, ก็นั่งร้องให้ไม่ให้กินลูกทั้งหมดหลับไปเนองพอแม่ตื่นมาจะไปเอานมให้แม่ดื่มแะให้พ่อดื่มโอ้เออรอขอทุอาเลยถ้าการปฏิบัติ เป็นความดีที่อลัลลอฮ์พอใจอลัลลอฮ์จะช่วยหน่อยเธอช่วยให้หินเนี่ยออกจากถ้ำไปหน่อยอลัลลอฮ์ก็ช่วยไปน้องครับให้หินเนี่ยเลื่อนออกไปนิดนึงแต่ออกได้ไหมไม่ได้นั่นเป็นความดี ไ, ไปเป็น้องครับความดีไปน้องลูกที่เอาใจใส่พ่อแม่ดูแลพ่อแม่เป็นความดีมีระังวนันตอบแทนจากอลัลลอฮ์เยอะไปหมดแค่ไปน้องเวลาเจอปัญหาอลัลลอฮ์ช่วยไงไปน้องครับ เรื่องคนที่สองผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ไปนองไปชอบผู้หญิงคนหนึงอ่ะต้องการจะทําเินนากับผู้หญิงผู้หญิงไม่ให้อ่ะเพราะทำไมต้องมาทําเินนาทําไมอ่ะล้วมีอยู่วันหนึ่งไปน้อนกับผู้หญิงคนนี้ต้องการเงินก็ไปหาผู้ชายคนนี้แหละบอกพี่เขายืมตังเลยสิเพื่อไม่ให้อ่ะต้อมานอนกับฉันก่อน ทำวินาก่อนอจะเอาตังค์ไปเสร็จแล้วก็หญิงก็ยอมต้องการสต็งนะทำไงไปน้องแล้วผูชายคนนี้ก็จะไปทําดินาจริงๆริงไปน้องพอจะทําวินาจริงๆผู้หญิงเตือนเหรอทาไมไม่กลัวอัลลอฮ์ล่ะทําไมไม่นิก้าเนี่ยมาขอนิก้วันนี้ก็นีิก้าวันนี้ก็อยู่ด้วยกันสบายสบายว่าทิดนาทําไมพอผู้หญิงเตือนปั๊บเนี่ยสํานึกตัวอ่ะตายชิค้ยเออผู้หญิงพูดถูก่ะ ก็เลยเธอไปกลับบ้านไปแล้วเอาเงินให้ไปด้วยโอ้เอลอถ้าหากการที่ฉันเอาเงินให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฉันจะทําสินากับนางนางก็พร้อมแล้วแต่นางเตือนฉันว่าทําไมไม่นิก้าก่อนฉันก็ไล่ผู้หญิงกลับไปแล้วเงินให้ไปโอ้เอลอถ้าหากสิ่งที่ฉันทําเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจช่วยฉันหน่อยอัลลอฮ์ช่วยไหมอัลลอฮ์ Allah, ช่วยแล้วพอใจไงหนึ่งไม่ทํำสีนาสอง ดูแลคนเอาเงินช่วยผู้หญิงไปคนหนึ่งเขาไปไปแก้ปัญหากเก่าเอารอพอใจก็ไปน้องหินก็เลื่อนออกไปยังออกไม่ได้ไปน้องอีกคนหนึ่งมีความดีอะไรบ้างเล่าอาร์ฟังหน่อยเล่าสู่กันฟังในถ้าคนที่สามนี่เล่าบอกว่าฉันนี่นะเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างไปน้องมีลูน้องมาทํางานที่บ้านเนี่ยหลายคนแต่มีอยู่คนหนึ่งไปน้อง พอทำงานยังไม่ได้เงินเดือนกลับไปก่อนกลับไปบ้านก่อนไปอยู่ตั้งหลายปีไปนอกเป็นสิบสิบปีน่ะวันดีคืนดีก็มาก็จะมาขอค่าอะไรนะกระจ้างใช่ไหมล่ะลูกจ้างเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเขาบอกว่า เ, เงินของคุณเนี่ยฉันไปซื้อแพ้ไว้คู่หนึง่งอูดไว้คู่หนึง่งวัวไว้ สามเสียรายการนี้พี่น้องอยู่กลางทุ่งเงินยเงคุณหมดเลยน่ะแพะของคุณอูดของคุณวัวของคุณเงินค่าจ้างของคุณคุณมาจาไปซื้อแพะซื้ออูดไปซื้ อ, อวัวปล่อยไว้เนี่ยคายเป็นสี0ห้าพันตัวอยู่แล้วนั่นอ่ะกขาบอกว่าฉันเอาไปหมดนะก็เอาไปจนเินของคุณพี่น้อ ง, ของเขา่ายไปหมดเลย จะขอว่าโอ้เอลอสิ่งที่ฉันทำถ้าหากว่าเป็นความเมตตาเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอใจช่วยฉันหน่อยให้เอาหินนี้ออกจากทั้อัลลอ์ให้ออกครับสามคนรอดออกมาจากความตายถขาว่านี่เป็นทางออกของชีวิตใช่ไหมทำความดีกับพ่อแม่ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์มีรางวาาัลไหมบนตุนยาก็มีรางวัลให้ ไม่ทำสินาเอาเงินให้เพื่ออัลลอ์มีรางวัลไหมพี่น้องมีครับแล้วก็คนที่เอาเงินเดือนของเขานี่พี่น้องไปซื้อแพ้ไว้ตัวหนึ่งซื้ออูดไว้ตัวหนึ่งซื้อวัวไว้คู่หนึ่งพี่น้องแล้วสิบปีสิบห้าปีมาได้มาเอานาคาพินคือตัวพี่น้องไล่ไปหมดเลย แต่ต้องทําเพื่อใครนะเพื่ออัลลอฮ์สามคนที่ทําเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยกับพี่น้องแล้วเป็นไงกับพี่น้องตายนียืไม่ตายไม่ตายยี่งาทางออกสําหรับชีวิตมีบนโลกบุญญาไปนี้กับพี่น้องแค่นั้นทําความดีเอาไว้พี่น้องก็ทําเพื่ออัลลอฮ์นะนมาเพื่อ All o. อัลลอฮ์อ่านกัรอ่านเพื่ออัลลอฮ์มาฟังศาสนาเพื่ออัลลอฮ์บริจาคเงินเพื่อ All อ All ัลลอฮ์ o. พี่น้องไปทำคุณรับเพื่ออัลลอฮ์พี่น้อง อะไรก็ตามแต่ให้ทำเพื่อเอาล่อให้หมดเวลาท่านพี่น้องมีปัญหาบนโลกดุนยาใบนี้เอาความดีที่ท่านพี่น้องเคยทำเอาไว้เนี่ยมาขอดูอาเรวตวสซุลเอาเราจะฉันเคยทำอย่งงางนั้นอย่างนั้นอยางนันช่วยหน่อยวันนี้เอาเราจะแก้ปัญหาให้ทางตันไม่มีมีแต่ทางรอดตลอดครับพี่น้องเลยนี่เงาะผลจะ ก, การฟังศาสนาพี่น้องนั่นคุณอา่านเรืสั่งว่าอินิงกาฟิรูนคนกาเฟ คนกาเฟสเป็นทั้งทําความดีเหมือนเราแต่ไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่อ้าวคนกาเฟสเนี่ยดูแลพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูเพื่อใครไม่ได้ดูเพื่ออัลลอฮ์แต่เรานี่ดูเพื่ออัลลอฮ์ด้วยให้มะดีใจด้วยให้ย่อดีใจอยู่แล้วก็ดึงอัลลอฮ์จะทางหวังรางวัลตอบแทนจากอนะัลลอฮ์นา เห็นไหเพอน้องคนคาเฟ่ทําดีเหมือนเราแต่โลกอาคือร้ออัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์สุภาหนูตาล่ะที่ต้องอย่าลืมนะอย่าลางานต้องทําเพื่ออัลลอฮ์นะเรียนแพทยกันเหมือนกันดูดวงลูกจ้างมาเอาเงินลงทุนบางคนไม่ทําเพื่ออัลลอห์เนี่ยเพอน้องทําแม่ทําเพื่ออัลลอฮ์ผลบุญมีไหมผลบุญอัลลอฮ์ไม่ให้เนยโลกอาคือร้อนครับพี่ตั้งนะ พี่น้องครับเนี่ยการฟังศาสนาการเรียนศาสนาดีไหมพี่น้องดีมากๆเลยถ้าเราเข้าใจนะแล้วนำมาไปปฏิบัติอาจารย์ลุกวันีให้ผลบรรยายถึงกี่โมงอ่ะเยที teens, ่ผมเตรียมม า, มาเรื่องไล่ใชตอน ไม่ให้ใช้ตอนมาอยู่ใกล้เรานะ่0ยี่สิบรายการแต่เวลาไม่มีแล้ววันดหน้ายี่สิบรายการนะยี่สิบวิธีไล่ตนวิธีไล่ใช้ตอนอ๋อไม่ให้ไม่ให้อยู่ใกล้ตัวเราอ่ะยี่สิบรายการนะพี่น้องดีมากนะอัลลอฮฺอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮฺบิสมิลลาฮิวรหารหิมอัลฮัมดุลิลลาฮฺอิอฺบิลลาลามีนอัสลิลา ขอสู่กฎในเนื้อหมัดของอระสุภาวตาตตาพระสุภาราตตาให้อาจารย์ได้มาบรรยายมาสอนใหเรารู้เรื่องของศาสนาเลยนะครับตอนนี้ผมจะเป็นคำถามให้กับพี่น้องฟังด้วยนะครับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าตวสูลแปลว่าอะไรออออการทำยังไงเรียกว่าตวสูน แปลว่าสื่ อ, อเนี่ยแปว่าสื่ออ่าแปลว่าสื่อสื่อเอาเอาเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือเราเนี่ยจะเข้าหาอัลลอฮ์พี่น้องครับมันต้องเข้าหาอัลลอฮ์โดยการปฏิบัติความดีอยู่ดีดีจะให้อัลลอฮ์รักแต่อัลลอฮ์ใครรักเรามันต้องมีงานสักอย่างหนึ่งที่ทําแล้วเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้ อ, อัลลอฮ์พอใจพราะพระองคสั่งอย่างนี้ ท่านทั้งหลายโอปัรดาผู้ที่มี إ ม م ا ن เอ่ยท่านทั้งหลายจงวัปตะูอิไลฮิลวาซีละจงสแสวงหาสื่อมาถึงอามันฑีซอลร่เนี่ยก็เรียกว่าสื่ออย่างน้นนำมาดเนี่ยเป็นสื่อไหมเป็นสื่อทําให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์อ่านคุรานเป็นสื่อทำให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์ทำกุรบาลเป็นสื่อทําให้เราเข้าใกล้อัลลอฮ์ฉันตนสแสวงหาสื่อนะครับ เป็นตัวกลางที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตานะพี่น้องนะแต่นั้นสามคนเนี่ยเขาทําความดีกับพ่อแม่นั่นเป็นสื่อทาให้อัลลอฮฺพอใจอีกคนหนึ่งทําไปนะไม่ทําซินาเพราะกลัวอัลลอฮฺนั่นเป็นสื่อทำให้เขาเข้าใกล้อัลลอฮฺอัลลอฮฺพอใจอีกคนหนึ่งมีเงินเยอะมากไม่จ่ายได้แล้วแบซื้อแพะซื้อแกะเก็บเอาไว้พี่น้องเอาไปหมดเลยนะ่ะนั่นก็เป็นสื่อที่อัลลอฮฺ พอใจที่ต้องมีดวอาก็ขอดวอาต่อเราอัลลอฮ์ก็รับดวงอาของท่านนะครับตัวซุนนี้จะแปลว่าติดต่อได้ไหมครับได้ได้เอ้าเป็นสื่อเป็นติดต่อก็ได้นะได้ถ้าอ่านกุรอานตัวซุนก็เป็นอามันยูซอลและเป็นเป็นเป็นสื่อเป็นการเชื่อมเรากับอัลลอฮ์สุภาเนาะอย่างงี้อ่านกุรอานนี่นะกุรอานนี่เป็นเชือกนะเป็นคาบลุนเป็นเชือก อัลลอฮ์จับอยู่ข้างบนต้นอยู่ข้างบนล้วข้างล่างเป็นปลายมาันเราจับปลายถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮ์เป็นสื่อที่ดีที่สุดเลยใช่ไฉะนั้นกุรานคือฮาบรลุลเป็นเชือกอัลลอฮ์จับอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ปลายมันอยู่บนดินถ้นท่นใครที่ จับคุณอ่านถ้ากัจับเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะฮลาอัลลอฮฺอัมับดีมากๆเลยครับี่อกการทำความดีเป็นอิบาดาไหมครับอิบะดาแปลว่าอะไรครับดีก้นครับการทำความดีเพื่ออัลลอเป็นของดีเราเรียกว่าอิบะดาอิบะดาแปลว่าอย่างนี้สิ่งที่มนุษย์ทำ แล้วก็อัลลอ์พอใจสิ่งที่มนุษย์ทำแล้วอัลลอ์พอใจเรียกว่าอิบาดาต์ทีนี้คําอธิบายเป็นอย่างนี้มนุษย์เนี่ยจะทำสิ่งที่อัลลอ์พอใจได้ก็ต้องทำตามที่อัลลอ์สั่งถ้าอัลลอ์ไม่สั่งนะครับ คำสั่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้เราทําดี๋เราไปทําอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ทําดี๋น้องนั่นไม่ไม่เรียกว่าอิบะดาะนะครับไ ม, ไ, ไม่เรียกว่าอิบดะดาะอิบดะดาก็คือคําสั่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเวลาเราทําดี๋น้องครับต้องทําแบบนี้ด้วยนะทําเหมือนใครเหมือนนบีอ่าต้องเหมือนนบีหนึ่งเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับให้ทําเราก็ทำสอง ทำตามนาบีรูปแบบที่นบีทำเป็นรูปแบบเอาไว้สามทำเพื่ออัลลอฮ์มีุสสามรายการถึงจะเรียกว่าอิบดะดาห์ข้อที่หนึ่งทำตามที่อัลลอ์สั่งข้อที่สองรูปแบบที่ทำนั้นให้เหมือนกับที่ท่านนาบีได้ให้รูปแบบไว้อ่าเช่นอย่างเงี้ย เ, เข้าห้องน้ำอัลลอ์สั่งบอกว่าจะเข้าห้องน้ำา่อย่าลืมนะ ห้อง น, นนะ้ำน่ะเป็นบ้านของใครอาชายตอนมาอยู่ตรงนั้นนี่บอกให้รู้เลยนะ เ, ยเข้าช้เข้าบ้านชายตอนนะก่อนจะเข้าเอาลออสงนบีมาสอนว่าให้เอาเท้าไหนเข้านะเท้าซ้ายเหมือนใครเหมือนนบีแล้วก็นบีก็สังง่งอีกก่อนเข้าให้อ่านดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอาอูบิกะนินัลคุบุสีวะลกาบะอสพอเข้าเสร็จแล้วเนะี่ยอย่าไปคุยในห้องนา้า ลูกเอ้ยดูทีวีให้มะกน้อยอะไรก็เนี่ยมันเขาห้ามพูดในห้องน้ํำไปน้องแล้วก็ข้อออกจะทําไงนะให้เอาเท้าขวาออกแล้วก็อ่านบุฟฟอลอนะกะันี่เป็นอิบาร์ดะเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เข้าห้องน้ําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ส่งนบีมาสอนให้ทําแบบนี้แบบนี้เอาเท้าขวาข อ, ออกเท้าซ้ายเข้าไปท้องทําตามนาบีแล้วก็ทําเพื่ออัลลอฮ์นี่เป็นอิบาร์ดะ มีผลบุโบนไหมมีผลละโบนเดี๋ยววันเกี้ยวมาไปต้องถามดิอย่าอผลละลบุนเข้าห้องนั่งผู้ชันมีเปล่านี่อ่ะเต็มเลยผลุะโบ อ, อุ๊ยเข้าห้องนั่งก็มีผลบุโบแล้วก็นอนแ่ะผลบุโบนยังมีเลยทําไมอะ่ะไม่เคยแปรงฟันไม่เคยอาบน้ําน้ำม า, นนาไม่เคยตะปาตินอนอย่างงี้ก็ไม่เคยทําสาบกุญยไม่เคยอ่านเห็นหมอนเสือกทวดอลัลยรอผลละโบนไหมวะไม่มีไม่ใช่อิบัดะ ตัวละวันนานั่นงานนอนเป็นงานของเราเองไม่ใช่อิบัตจะให้เป็นอิบัตต้องทำอะไรแปรงฟันอาบน้ํานำมาตะปัดที่นอนยกมือขึ้นแล้วก็เป่าเราพูดอ่านสามพูด น, นี่แหละพี่น้องเป็นอิบัตทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการทําความดีก็เป็นอิบัตใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ซีริคีคืออะไรซีคเล็กคืออะไรพี่น้องครับ ชีวิตเนี่ยแปว่าหุ้นส่วนเพราะว่าหุ้นส่วนอย่างเราเนี่ยจดจดจดจดบริษัทน่ะ น, นะเจดคนสองคนสามคนแต่าห้างหุ้นส่วนมาสองสองคนก็เป็นเป็นอะ้รเป็นบริษัทได้แล้วเป็นห้างหุ้นส่วนได้เขาเรียกว่าสวดิก้าเหมือนกันเราเนี่ยมีสวดิก้ากับใครนะกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ แต่ห้ามมีสัมพันธ์กับสิ่งอื่นนอกจากอวโลกิ่งอย่างเนี้ยไปหาโต๊ะโต๊ะะเกียรไปขอตัวโต๊ะตเกียรให้ตัวโตะเกียรช่วยหน่อยเพราะโต๊ะตะเกียรเป็นคนดีอดีตเป็นคนดีพอตายแล้วหมดเราบอกคนทวตายแล้วจบใช่ไหมแต่เราไม่จบคนดีเนี่ยไปไปเพราะริมบ้านคุยกันฟังไปกับมันพอไปขอยัวโต๊ะตะเกียว์ปั๊บเราทําชิริก ชิริกนี่พี่น้องเป็นบาปใหญ่นะอลัลลอฮ์ไม่อภัยโทษในนะบาปชีริกนี่พี่น้องแล้วอลัลลอฮ์จะเละความดีทั้งหมดที่ทําอื่นๆื่ออีกพี่น้ อ, น อ, น อ, นนองนำมา ท, ที่นมาดไว้อลัลลอฮ์ไม่ให้คะแนนเพราะว่าไปทําชีริกเอาไว้แบบมียาพิษเลยพี่น้องเอ้ยอุตส่ากินอาหารมร่ดีกินยาพิษไปเม็ดหนึ่งทัดตายไหมตายหมดเลยพี่น้องฉะนั้นอยากอย่าทําชีริกที่ถานมัจกีนี่ ชิริเเล็กอ่าชิริเเล็กคืออะไรรู้ไหมโอ้อวดใส่เสื้อมาก็อวดจะพูดก็อวดใส่แวนก็อวดนั่งรถมาก็อวดอวดหมดอัลลอฮฺพี่น้องยืนน้ำมาก็อวดอีกเอ้ฉันน้ำมาตามสุนันทบีมองๆฉันสิอ้า Allah, วอัลลอฮฺพี่น้อะไรที่อวดอวดพี่น้องขอยกตัวอย่าง อยัางมีอยู่คนหนึ่งไปน้องไปทำพัดมาแล้วห้าครั้งนะยกตัวอย่างนะคือเราทําไงจะให้คนมันรู้ว่าเราเนี่ยไปทํำทำพัตมาแล้วห้าครั้งบางเอิญวันนั้นน่ยมีมีผมไปอันจันโกนีไปมันจมบินกาสันไปไปก็หลายคนไปนั่งที่บ้านต้องการจะให้แขกที่มา ห, ห้าบุคคลเนี่ยรู้บอกลูกลูกเอาภาชนะที่อยู่ใน อยู่ในตูน้อยู่ในชั่วนะนะเอาออกมาแล้วก็เอาเลือกใบที่มะซื้อมาตอนไปทําหัดครั้งที่ห้านะลูกนะต้องจอจงดจ้งเลยนะใบที่มะซื้อมาตอนไปทําหัตคั้งที่ห้าเนะี่ยเอาออกมาแล้วใส่อาหารมาเลี้ยงแขกอีกตอนว่าคั่งที่ห้าเนะี่ยพูดทําไม <c oughs> ใจมันึกการจะให้แขกที่มานั่งในบ้านรู้ว่าฉันนี่ไปทําฮัดมาแล้ว ห้าครั้งอย่างนี้อวดไหมอ่าอวดนี่ผ ล, ลบุญไม่มีเรื่องได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับที่ทํามาแล้วหครั้งเนะี่ยศนหมดเลยเป็นศูนย์หมดเลยนะนะถ้าซีรีส์ใหญ่นี่กจะถึงกับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไหมครับพี่น้องครับคนทําชีริส์ใหญ่เนี่ยสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมทันทีแต่อันนี้ไม่ให้ตายแล้วนะ ไม่ตัดเงินเดือนนะยังทำงานราชการเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องยังมีเมียคนเดิมนั่นแหละพี่น้องบ้านก็ใหญ่เหมือนเดิ ม, มดนั่นแหละพี่น้องแต่ Allah ไม่ตัดริสกีบนโลกดุนยาแต่จะตัดผลบุญรางวัลที่เขาจะรับในสวนสวรรค์ไม่ได้นะมีอยู่ทางเดียวพี่น้องต้องเตาบ้าตัวถ้ารู้ว่าทบาปใหญ่ทงชีริตพี่น้องเตาบ้าตัวเลย อาบน้ำไปน้องแล้วแล้วก็อัศว์ตาคลอรอตาบ้ตัวใจไปน้องฉันไม่ทําแล้วแบบไปหาต้นตะเกียบไม่ไปอีกแล้วเลิกแล้วร อ, อจะเสียใจในความผิดที่ตามมาไปน้องแล้วก็ทําความดีเสริมอโหสิจาคเสริมน้ำหมาดเสริมเยี่ยมพ่อแม่เสริมไปน้องทําความดีเพิ่มอ่านกุณอ่านเพิ่มเสริมแล้วก็รู้ขึ้นน้ำหมาตะหัดยุบเสริมไปน้อง ก็จะลบล้างความผิดในอดีตที่ทํามานะครับการทำสรีรใหญ่นี้เพียงแต่ไปดูหมอหรือ ไ, ไปหาโตตะเกียรแต่ไม่ไม่ตั้งภาคีกว่าอับล็อกไม่ได้ไปไหว้รูปปั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นสรีรใหญ่เหมือนกันนะใช่ครับมันได้ไปหาโตตะเกียรราแต่แตดูหมอเก่ง <c oughs> เหมือนกันไปนอกนันะ้นทาชีวิต เชริกยายเหมือนกันพี่น้องแะ่ั้านการดูหมอกไปหาตัวตะเกียบาบเท่ากันนี่ของหายให้หมอมาดูแล้วก็เชื่อตามนั้นนั่นตัวเชริกพี่น้องหายก็หา ย, า ย, ายไปสินี่พี่น้องถ้าของหายได้ได้ผลบุญว่าไงรู้ไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิญ่าลิลลาฮิวะอินน่าฮิลาฮิรอดิยุนอัลลอฮุมะจุร์นีฟิมุซิบะตี วัคลิฟลีไคอยรมินฮาได้ผุล บ, บุญไปน้องผล บ, บุญได้เต็มเลืพี่มึงที่เอาลวดทดแทนของที่หายไปดีกว่าของที่หายไปอีกเลยน้องอ่ะขอยกตัวอย่างอุมมูซันและว嘛ผู้หญิงคนหนึ่งในะสมัยนะ่ะดีไปน้องเขามีสามีและมีลูกเขารักสามีเขามากเลยรักมากเล่น้อง พ่อสามีตายเนี่ยร้องไห้อัลลอฮ์นัีสงสารนัีว่านี่เธอเๆอเธอใช่ไห้ดูอานะอัลลอฮุมะจุนีฟีมุซีบตีวัคลิฟลีคอยรอมมินฮะแะอ่านอินน่าลิลลาด้วยนึกถึงสามีร้องไห้ก็อ่านดูอาบทนี้ว่าประจำนะแปลว่าอะไรอัลลอฮุมะจุนีโออัลลอฮ์โปรดให้รางวัล ฟีมุซีบาตีในความเดือดร้อนที่ฉันกำลังประสบอยู่วัชลิฟลีคอยรอมินฮแล้วก็โคดตอบแทนของที่ดีกว่ามาทดแทนให้ด้วยนั่งอ่านบทนี้ทุกวันทุกวันทุกวั น, วนพอครบอินดาสามีตายรออินดากี่เดือนสี่เดือนกับสิบวันนิดตามตามกุรอาน พอโกอิดาสิวาันนาบีส่งคนไปขอมแต่งงานกับท่านนาบีดีไหมอัลลอฮ์ถามว่าวสามีคนเก่ากับนบีใครดีกว่ากันนบีดีกว่าเพราะเป็นนบีของอัลลอฮ์และคนที่แต่งงานกับนบีนไปสวรรค์อย่างเดียวไม่มีการไปตกนรกพี่น้องนางก็เล่าออตั้งแต่ฆ่กากันนบีว่านี่นะเวลาพวกเธอนะมีปัญหาเดือดร้อนไม่ต้องไปหาหมอดูแลเด้ย๋ยวไป ให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆฉันนี่นะสามีตายนะสามีฉันรักมากที่สุดไม่มีใครดีเท่ากับสามีฉันแล้วจะที่ไหนได้ดูอ่าบทนี้ที่ฉันอา่านอัลลอฮ์ทงนบีมาสู่ขอฉันให้ทำอย่าไปี่องนี่นะฉะนั้นอย่าไปหาหมอดูไปหาทำไมหมอดูหาหมอดูผลละบนได้ไหมไม่ได้อัลลอะ์เกลีกยดหน้าเอกมีปัญหาไม่พึ่งฉันไปพึ่งหมอดูดูดดูมันทำดูมันทเลย พี่น้องครับเข้าหาอัลลอฮ์ดีกว่าเราอ่านดูอาตามที่นางอุมุสลามะแนะนำนะครับการทําซวิตใหญ่นี้ต้องเข้ากะริมอไหมจังต้องสอนกะริมอให้อีกไหมสอนเองก็ได้พี่น้องลา <laughs> il อิลลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรัสูลุลลอฮฺอันเอง ไม่ต้องใครสนนอรสนะอสนะ ค, ำ ค, ำคำรับทำด้วยหรือหรือไ ม, ไม่ไม่มั่นใจก็มหาอาจารย์กคนนี้ที่สอนกะริมาเลยสิทาชีดิตไว้เต็มเยอะยกิจการอย่าเล่าเลยโตตะเกีย ก, ก็ไปหาหมอดูก็ไปหวยก็ซื้ออู้สารพัดตอนนี้เลิกแล้วอาจารย์คนนี้ช่วยแนะนําชี้นามันจะหน่อยนะครับม น, นุษย์ที่ว่ามีสี่โลกนึ่มีมมอะไรบ้างครับโลกที่หนึ่งโลกที่สองโลกที่สามโลกที่สี่ อัลฮัมดุลิลละดีมากครับมนุษย์มีสี่โลกครับโลกใบแรกเขาเรียกว่าอาลมอามอรวาโลกแห่งวิญญาณวิญญาณของเราเนี่ยนะมาก่อนตัวเรานะวิญญาณของเรานี่ยนะมาก่อนมาก่อนเรามาก่อนร่างของเราถ้าไม่ต้องทราบไหมเป็นอย่างนี้โลกแห่งวิญญาณนี่นะอัลลอฮ์สร้างวิญญาณของคนในโลกนี้มาก่อน ตัวทั้งคนสุดท้ายก่อนถึงวันเกียร์มาเนี่ยพี่น้องมีวิญญาณอยู่ก่อนแล้วอลัลลอฮ์สร้างมาครับพี่น้องพอเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอลัลลอฮ์เรียกวิญญาณประชุมเรียกวิญญาณประชุมนะโลกใบที่หนึ่งนะพี่น้องเรียกประชุมอลัลลอฮ์ถามบอกว่าอัลลอฮตุบิรอปบิกลุมฉันนี้นะไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านใช่ไหม ถามว่าใช่หรือไม่ใช่น่ยฉันเป็นพระผูระร้อภิบาลของท่านทุกวิญญาณทุกทุกดวงนะวิญญาณของนายกปัจจุบันนี้ด้วยนะวิญญาณของโอบามาด้วยนะทุกวิญญาณในโลกนี้ตอบว่าบาลาใช่แล้วอัลลอฮฺเป็นพระผูอภิบาลของฉันทําไมครับ ทำไมอัลลอฮ์ถามเราตอบว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะวิญญาณเห็นอัลลอฮ์ในโลกแหงวิญญาณแต่เราเรานันไม่รู้นี่ไมเราเอ๊ไม่รู้รู้ตอนที่อัลลอฮ์เล่าในกัมพีอัลลอฮ์ Allah เล่าเรื่องของเราในกัมพีอัลลอฮ์บอว่าตอนที่เราอยู่เป็นอาลัมเป็นวิญญาณอยู่นัดยังไม่ได้เข้าร่างเรานั้นวิญญาณเรานี่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระกูอาภิบาล ทีีพอวิ ญ, ญาณมาอยู่ในร่างปั๊บวันนี้อัลลอฮ์ให้เห็นสีรายการเลยไม่เห็นอัลลอฮ์ไงเป็น้อง์สีรายการไม่ได้บ้างหนึ่งริสกีเครื่องยนต์ชีพเอามาบังเอาบ้านมาบังเอาโฉนดมาบังเอารถมาบังเอาเงินเดือนมาบังเป็นอัลลอฮรายได้ที่เราได้อินคัมทุกวันทุกวันเป็นอัองมันเป็นริสกีที่อัลลอฮ์กำหนดไว้มองไม่เห็นอัลลอฮ์แต่เบื้องหลังคืออัลลอฮ์ ข้อที่สองความตายเราว็นนี้นึกนึกถึงความตายคนดูคนใช่ไหมอัลหลอยากไม่อยากจะตายเลยทั้งทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดความตายอันอันที่สามพี่นอ้องอัลลอฮฺให้เราเห็ น, นอะไรบ้างครับเห็นหนึ่งหนึ่งอัลอะไรนะหนึ่งริสกีสองอามันจะอามันสิสองอะไรนะสองความตายสี่สามสา ม, สาม อ่าอมันอาชีพอ่าอาชีพของเขาจะมีอาชีพทำทาอะไรหนึ่งเงินสองอะไรนะสองสองอายันความตายสามงานอาชีพเราวิ่งหาอาชีพไปอยู่วันนี้ใช่ไม่ใช่วิ่งหางานน่ะลูกจบมาทำงานอะไรดีนะเป็นสจวต ด, ดีไม่เป็นกัปตันเค่องบินดีไหม เป็นพน ง, งานบริษัทธนาคารนึกเยอะกี่น้องครับเลยลืมอัลลอฮฺอันที่สี่มีความสุขกับมีความทุกข์อลัลละฮฺกำหนดแล้วนะท่านเนี่ยจ ะ, จะร้องไห้กี่วันละทุกข์กี่วันละคุณจะยิ้มหัวเราะ่าเริรรม่มีกี่วันอลัลลอฮฺกำหนดไว้แล้วสี่ข้อนี้ทําให้เรามองมาเห็นอลัลลอฮฺอย่น้องบนโลกดุนยามีแค่เนี่ยใบนี้เนะน่ะมีแค่สีรายการนะหนึ่งอะไรนะ ลิสิกีจะได้มากแค่ไหนสองวันตายสามอา ม, มันจะมีอาชีพทำอะไรอันที่สีมีความสุขกับมีความทุกข์เอาว่าหำนวแล้วเราเนี่ยทุกข์กี่ครั้งแล้วก็คุณจะยิ้มออกกี่ครั้งเอาว่าคำนวไว้ต้องนึกครับที่ไอ้ีข้อเนี่ยทำให้เรามองไม่เห็นอลัลลอฮฺอฉะนั้นวิญญาณเราวันนี้อยู่ในโลกใบที่สอง เดี๋ยววิญญาณออกจากร่างเอาร่างไปฝังวิญญาณไม่ตายครับอยู่ในอาลัมบัตรักความรู้สึกเหมือนฝันพี่น้องถูกทรมานอะไรนะสีโคมภาษากันแบบนี้โุ้ทรมานเจ็บจริงๆกับอีกคนหนึ่งยิ้มร่าเริงอยู่ในปูโบพี่น้องมีรางวัลตอบแทนกากอัลลอฮ์นั่นชีวิตในอลัมบัตักพี่น้องเป็น เหมือนเหมือนฝันฝันจริงๆไอ้พี่น้องไอ้พี่น้องเคยเคยฝันรายๆมีไหมตื่นมานักกลัวเลยเคยไหมผมเคยครับมีคนวิ่งเอาดาบฟันเลอตื่นมานี่เหงือออกเอาล้ออัสตาฟิโรลล้อนี่มันฝันเนี่ยมันจะเรื่องจริงฝันว่าไฟไหม้บ้านเคยมันเคยครับขนตูเย็นออกคนเออออกเอาล้อวัดวัเหนื่อยหน้าดูครับนั่นคือความฝันแต่มันเรื่องจริงกับพี่น้อง แล้วก็โลกอาเคาะอาจารย์เดี๋ยวโลกที่สองนี่โลกบกใช่หมอ่าโลกใบที่สองโลกแห่งบุญญาไปนี้โลกบุญญาโลกบุญญาโลกใบที่สามโลกหลังตายเราเนี่ยเพิ่งมาอยู่โลกใบที่สองเองยังมีอีกสองโลก จะต้องเดินทางอีกไกลไหมเนี่ยเดินทางอีกไกลเคยเสียใจร้องไห้ไหมว่าสเสบียงจะพอหรือเปล่านึกหรือเปล่ามีคนนึกแล้วพี่น้องมีอยู่คนหนึ่งร้องไห้แล้วทางทั้งที่ยังไม่ถึงอับูฮุรอยรอดเราจะลอมาอ่านถูลูกศิษย์ท่านนาบับีตอนป่วยพี่น้องมีคนถามว่าร้องไห้ทําไมกลัวอะไรหรือไม่ใช่กลัวลูกกลัวเมียกลัวจะลาบากไหม ตัวเองจะไปไม่รอดเรื่องอะไรฉันก็ต้องเดินทางไกลอ่ะฉันผ่านมาแล้วโลกแห่งวิญญาณผ่านมาแล้วโลกดุนยาก็ผ่านแล้วยังมีอีกสองโลกอะ่ะโลกอาลัมบัสรักกับโลกวันอาเคโรอีกสองโลกนี้จะต้องเดินทางไปอีกไกลกลัวเสบียงที่สะสมไวจากโลกดุนยานี้จะไม่พอจะหมดกันก่อนออมรอเห็นยังไปนะ้อง ลูกศิษย์นบีจะไมคิดได้ยังไงในพี่น้องซึ่งพวกเราเองอาจจะคิดไม่ถึงนะแต่ลูกสิทย์นบีคิดเผื่อเราแล้วเราก็อ่านบทความของเขาฮะ ด, ดีสที่เขาทายบันทึกก็ว่าอา๋อเขาคิดได้ยังไงเรานี่เพิ่งอยู่โลกใบที่สองจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยในพี่น้องยังมีอีกสองโลกใช่ไอีกสองโลกครึ่งใช่หรือไม่ใช่อีกสองโลกครึ่ง ผ่านไปแล้วโลกหนึ่งกับครึ่งหนึ่งใช่ไหมยังมีอีกสองโลกครึ่งทนอกจะไปรอดขนาดไหนต้องอาศัยอีมานข้อที่หนึ่งอะไรนะอาัมวิญญาณที่สองโลกดุนยาไปนี้ขอ้ขอที่สามโลกแห่ง ى, บัณฑร์นอนอยู่ในสุสาน อาคิร้อนระวังดุนยากับอาคิร้อโลกใบที่สามใบใบกั้นกลางระหว่างดุนยากับอาคิร้อใช่ใบัตรจักบัตรจกแปลว่าขั้นกลางขั้นกลางขั้นกลางระวังดุนยากับอาคิร้อขั้นกลางแล้วก็โลกใบสุดท้ายมีใบไหม วันเกียรมาคือเป็นี้นะมีคูยดีนะใครตายก่อนพบเกียรมากก่อนใครตายก่อนอยู่ในอดัมบัซักเห็นเห็นเห็นเห็นเกียรมาแล้วเห็นโลกอะคริโอแล้วอยู่ข้างหน้าก็แล้วน้อยู่ในกูโบนเห็นแล้วนั่นสวรรค์ของฉันที่อยู่ของฉันอลาวว่าไอ้คนในอัลสันนาก็เห็นนรกก่อนนอนอยู่ในกูโบนเห็นนรกแล้วถามว่ากูมใจจะเครียดเครียดอะ เอาคนที่อยู่นอนอยู่ในสุสานแล้วเห็นนรกก่อนเนี่ยถามว่าอยากฟื้นไหมไอคนที่นอนอยู่ในกูโบแล้วเห็นสวรรค์ก่อนเนี่ยอยากอยากฟื้นไหมเห็นเห็นสวรรค์น่ะที่อยู่ของฉันนู่นอยู่ในสวรรค์นู่นเนี่ยโอ้เราให้เห็นในกูโบอยากฟื้นไปไปเราจาวันเกียรมาเธอวันเกียรมาเธอะอยากจะไปอยู่ในสวนสวนสวรรค์ไอคนที่ถูกลงโทษอยู่ในกูโบเนี่ย เห็นท <immen> ี like <them> ่อยู่ในนรกน่ะมันหนักกว่าในกูโบ่น่ะหนักกว่าในกูโบทั้งเยอะบอกอย่าอโลย่าให้มีวันเกียร์มาเลยอยู่สภาพนี้แหละมันยังเบากว่าโลกอาคือรอดนั่นคือน้องเห็นยังครับพี่น้องใครสอนเรากับครูอาสอนเราวันกียร์มากแปลว่าเกียร์มากแปลว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพแปลว่ายืนยืนยืนนะออกมาจากสุสานแล้วมายืนอยู่ต่อหน้าเรา วันกิยามามีชื่อเยอะอเช่นยาวมุลไฮซาวันแห่งการคิดบัญชีคนดีให้เข้าสวรรค์แล้วก็คนชั่วให้ลงนรกยาวมุลฮัสระวันแห่งความเสียใจคนที่กาฟเฟสเสียใจตลอดไปน้องอ้อมีชื่อเยอะ เอาอาแคสองสามเชื่อ so ก uh, ่อนนะนวันียามม่อว er, try ่ายอยยืนขึ iro, ้นยืนหนุงดฟังศกมายืนอยู่ใช่ใช่ใช่เอาลสุดท้ายลงลงไปสุดท้ายดทครับอีรบอรอเดินมานี้ทิเดินมาขาหน้าเดียวนี่ๆมาอ่านคำถามหน่อยสังเกตยางไรทราบว่าผู้ชึ่นไม่ใช่มุสลิมมีลักษณะของผู้ปฏิเสธในกรที่เขายังไม่มั่นใจการเรียเราจะสังเกตยังไงใช่ไ่ม สังเกตอย่างไรทราบว่าผู้ซึ่งไม่ใช่มุสลิมมีลักษณะของผู้ปฏิเสธในกรณีที่เขายังไม่แน่ใจในการมีอัลลอฮ์ที่น้องครับเป็นอย่างนี้ ค, ค่อยเรียนไปต้องเรียนไปก่อนต้องเรียนไปแล้วก็นี่เรียนกัจจานกรณีนี่แหละเรียนไปมา คนที่สนใจอิสลามดีน้องครับใหม่ๆมันก็สงสัยอัลลอฮ์มีมีไหมอัลลอฮ์เป็นยังไงมัต้องอาศัยการอธิบายเพรอธิบายแล้วดีน้องอ إ ي م านมันก็ค่อยมาทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยนอยจะต้องอยู่กับกลุ่มมุสลิมด้วยนะเนื่งอาผมขอเล่าอธิบายอย่างนี้ครับการมีอัลลอฮ์ต้องต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งสามประการต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งสามประการประการที่หนึ่งต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์นี่เป็นคอลิกพผู้สร้าง คนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเป็นผู้สร้างเนะี่ยเขามี إ ي م านแล้วนะนั่นแหละเขาเราียกว่า إ ي م ا แล้วสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างคนสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกการยอมรับแบบนี้เขาเราียกคนมี إ ي ม ا ن นะมีข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าคําว่าพระเจ้าหมายความว่า ให้กราบอัลลอฮ์องเดียวอย่ากราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์กราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นก็ไม่ได้คุณน้องอย่าไปกราบสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะ่านคุณน้องนะถ้ากราบอัลลอฮ์องเดียวอ่าแสดงว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีอีมานแล้วนะอีมานเข้มนะและอีกข้อหนึ่งข้อที่สามการรู้จักอัลลอฮ์ก็คือต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีคุณลักษณะคุณลักษณะพิเศษนะ คือไม่เหมือนมนุษย์น่ะอีกเก้าสิบเก้าพนามุเดียกันออืมมีภูกรารักษ์สั่งเขจะต้องถามอย่างนี้นอ่าดีมากจะต้อ ง, องทำกวนเขาอย่างนี้น <c oughs> ะห้าวันต่อไปอสองที่ไม่ใช่穆斯林ทำดีแต่ไม่ได้ับความดีขอาถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทําความดีทาไมไม่รับมันจะรับความดีคือเป็นงี้เพราะว่าเรายังมีอยู่สองโลก เรามีสามโลกนะสี่โลกนะโลกโลกอลลัมอรวาณผ่านมาแล้วนะเราจะมีอีกโลกโลกดุนยาอันนี้เข้าเข้ามาขึ้นโลกแล้วนะยังมีใหญ่ก็มีอาอะไรบรซักกับอาคิรอคนที่ทำความดีที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอ์ตอบแทนให้เฉพาะบนดุนยาใบนี้เข้าใจไหมอัลลอ์ตอบแทนรางวัลให้เฉพาะบนโลกดุนยาใบนี้เท่านั้น เอาอย่างใครที่มีเงินบริจาคใช่ไหมเขาไม่เขาไม่ได้บริจาคในนามอาลัลลอฮ์เลยนะเขาประกาศชื่ออ๋อเนี่ยคุณเนี่ยพี่พี่เบิร์ดนะยกตัว ย, ย, ยกตัวอย่างนะบริจาคเงินสิบล้านสร้างอะไรนะสร้างถนนเข้าวัด เขาก็ประกาศอัลลอฮ์คนฟังเป็นลาเลยทุกคนก็ดีใจตบมือเขาได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วนั่นแหละที่เขาประกาศชื่อบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทสิบล้านบาทสร้างถนนเข้าวัดเขาก็มีรางวัลแล้วก็มีอะไรนะมีถ้วยมออให้บางทีก็จากจากรัฐมนตรีจากนายกบางทีจากใครแต่ใครบุคคลบังนก็รวยไหม มอบให้เลยบนดุญยานีคนให้เกียรติยกย่องพ อ, อยังพอแนะ่อาคิรอดได้ไั้ยไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอแต่ถ้าทำเพื่ออัลลอสิได้ทั้งสองโลกเลยบนดุญยาก็ได้แต่คนมุมินที่ทำงานเพื่ออัลลอนะเขาไม่อยากได้ดู ด, ดุญยาเท่าไหร่